ที่นอกเหนือจากการที่โทรงอนุญาตได้รับอมีสงค์ภาษาหรือกระทินโดยขึ้นแตทพิสุดถ้าพิสุดต้องการถึงรับได้ทั้นล้มแล้วคืนรื้อทำให้เสร็จภายในสิวันนี้เดียวถ้าค้ายังไม่พอเมื่อมีหวังที่จะทำส่วนที่ถานให้บกิบูรณ์พิสุดรุ่นนั้น คุณเก็บค้านั้นไว้ได้คป็นเดือเป็นอย่างยิ่ถ้าเกินร้อยเกินกว่านั้นแม้จะมีหวังว่าจะได้ค้ามาเพิ่มอยู่อีกก็ตาต้องอาบัดปลายจิตที่มีการเสียสละเป็นวิ่ไนยต่ำนะครับจากที่วัยเขียนบอกนี่นะอาการทีวอนเนี่ยคือต้องใจความท่านบอกว่าง่ายๆมีแต่ถิหนอกแล้วนะ กระชินต่อแรกนะครับเลยอน้สงกระถิกต่อแรกมีจีวอนอกเหนือจีวรที่สองที่ยากไว้เกิดขึ้นนะครับคือนอกเหนือจากจีวรที่ได้รับอนุสงพรษณาลูกอระถินนะครับจะขึ้นแก่นที่สูงเรียกว่าการจีวรเมื่อกี้เนี่ยอนุสมกรถินบว่ามีห้านะครับอันนุสงพรษณาเหมือนอสงกระถิอยู่กันนะแต่อันนุสงพรษาอีกแค่สี่นะครับรา่างเข้าอยู่ปรจักษ์ใจจีวอ นิสสุษนามไม่มีกขาอยู่ประจักษ์ในจีวรนะครับรรคือพอเราเขาา้ามาหามครบที่มสปันสามเริ่มปุ้นะ่ได้ทนะี่สองสี่ข้อทันทีนะครับไม่ต้องการไม่นะต้องอะไรนะ น, นิสสุปันาเนี่ยก็ไปสี่เรือนจนหมดนึกดูฝนนึกเคี่ยวอกระงครับลอยทงทวันสุดท้ายนะขอนึกดูฝนนะครับก็มันสุดท้ายของอ น, นิสสุปคนสามดังหน้าหล ทีนี้เมื่อถ้าเราได้การกระตินอีกนะครับเราสามารถต่ออันนี้สองไปหน้อีกถึงสี่เดือนคือสี่เดือนไม่ดูหนาวเลยนะเราได้แล้วเดือน้านของม่ดูฝน 45, เดือนะะัหนึ่งเดือนใช่ไครับแล้วก็ต่อไปอรุ่หนะะาวอีกคเดือนครได้กากกระตถ้าที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เรียกว่าตาดีอตาีวอนะ เอาภาษาของไปพอจำภาษาแ้วจได้อันสนะอันสองนี้เป็นความหน่วงเกิดการพูดผิดนิ่นะอัี้ถือว่ายุ่งภาษาแตเปนถ่ัไม่ใไม่ใช่นะภาษาก็ถือว่าถือถูกแลแค่นั้นแหละเห็นได้ว่าถ้าเราจำเสร็จันจะได้อันสอันสองที่เราอ่านจำภาษาตาเดือน น่าจะมีสองอะไรที่มันเกิดจากการกํภาษาอะไรใช่ใช่อันนี้สองอันนี้สองที่ได้ก็คือหนึ่งเดือนสุดท้ายของฤดูฝนไงคือฝนมันจะมีสี่เดือนใช่ไหมระยะเวลาภาษาสามเดือนอดูฝนแต่ฤดูหนึ่งมันเป็นออกภาษาแล้วไอ้ช่วงเดือนสุดท้ายหนึ่งเป็นช่วงอันนี้สองของภาษาอย่างที่สองปั้นการจแล่นี้นะครับเราก็ยังได้เรี่องความคุนลวดในภาพวิญญาณสี่ข้อ ถ้าไดการขักศีมันแล้วก็ตอไปให้ตูน้าอกเดือนก็รวมเป็นข้าเดียนนะครับแต่ถ้าเป็นกิวอนที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากอันที่สองนี้หมดแล้วนะก็เรียกว่าอาการกิวอันไปเลยคะอาการกิวอนเนี่ยเราไม่อันที่สอง้ใช่ไหมก็แปลนิเนก็แปลนิเนกิวอันอยนะครับย่ไม่น้ไม่กินสิบวันนะ ถ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าการทีวีวอร์เกิดขึ้นหรือถ้าต้องการแล้วก็รอบได้าพอรอบได้แล้วจะต้องรีดทําให้เสร็จภายในสิบวันพ่อไปเด็กทีวอร์นอกเหนือจานี้สองนะครับต้องทําให้เสร็จภายในสิบวันนั้ะครับหรือถ้ามันยังไม่เสร็จทำไงีิการอิจาเป็นอิจฉาโจมก่อนั้วท่านก็ทําำจนมันเสร็จนะครับและจะมาอิจฉาเป็นตายอีกทีนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเลยนะอันนั้นก็ต้องเสร็จภายในสิบวัน พาะคิาคาที น, นี้ถ้าถ้าไม่พอครับเกิดได้ถ้ามาเพื่อจะเามาตัดเย็บีวงทั้งชวิตใช่ไหมครับถ้าไม่พอครับถ้าไม่พอแต่แตยังมีหวังว่าจะได้ค้ามาใหม่ที่จะเอามาให้พอเลยครับร่องสองวิญาให้สามังเกินถ้าไว้ได้รอถ้าจะมาใหม่นะครับแล้ว ย, ยังมีความหวังอยูน่นะได้เหินดีเหมือัน โดยที่ไม่ต้องพิถานไม่ต้องวกจักอะไร น, นะเก็บไว้อย่างเดียวนะครับเป็นผ้ารองผ้าใหม่มาเก็บไว้ได้ห น, นนไหนึ่งเดือนนะครับเปนอย่างนี้แต่พอเหนื่อเมื่อปุ๊บแล้วเนี่ยเก็บไม่ได้นะนะต้องพิถันหรือวิจักอีกทีหนึ่งนะครับจะเก็บไว้แค่าวัานนี้ก็ไม่ได้เพราะเราไม่ยอมเก็บปุ๊บใช่ไหมเราก็เกินเดือนไปถึงแม้ว่าความฝังก็ยังมีอยู่งก็หวังนานเลยเ <c oughs> อันนี้อันนี้ยากให้หวังได้แค่หนึ่งเดือนนะถ้าเกินกว่านั้นก็ไม่ได้นะนี้จะมีหวังนะครับเจ็ด้าพไเกินเดือนก็ยือเป็นอาันี่เียสจพ์นะครับแล้วรูปังเดือี่เป็นช่การปฏิบตินะงรับใช่ๆช่ใช่นับนะแ้วช่วงการิบักับช่วงหลากข้อภาษาเหมนัหลั้อภาาจะนน้ักภาษาไปเรืย ม, มันจะจากวันที่การกาะระถือพอราการกระถคอโป้งใช่ไหมอ่อใช่ใช่แล้วก็แล้อมีสองนะ เ, นเป็นสี่เดือนแต่นีสองกระถืมันจะไปถึงถึงซึ่งสุดฤดูหนาวอะไรนะสี่เดือนไม่ดูหา น, ะนหาวนะอะไรอันสองาษาเพราะว่าไอ้ช่วงนั้นนะช่วงในการกระถมันการในช่วงที่สองภาษาใช่ไหมในปดท้ายนะ แล้มันจะกินตองช่วงอันนี้ผองพษาก็ด้วยนั้วมนก็จะกินสีเรืองเรืดูห น, นาลุนะ่นกรเี่ยบอยนี้มาดูว่ามันใหญ่นหครับตรงนี้แล้วพอกงลุ่มเรื่่มา ข้างมาดูต้นบรรยากัศ้มาในไทยหน้าเจ็ดรอยห้าสบาเลี้ย้ๆนะต้องจากอ้างหนึ่งอ่อเที่ิสูรรูปหนึ่งโดยสมัยนั้นที่นอทพาพระพเจ้าประทําอยูอนอย่นับพระสิติวันตามขอนาชามิกัลข้ามบัีเข็บพระนคสรสาวกศีครั้งนั้นอาการกีวรเกิดขึ้นแก่พิสูรรูปหนึ่งนะกีวรที่นอนออกมาจากมีวพว่า เธอจะทำจีวรก็ไม่พอก็คือเขาตกลงาทำใส่จีวรอยส่เลยคนนึงครับเจมสเอาจีวร น, นั้นจุ่มนะ้ตตากแล้วยิงเป็นหลายครับด้วยที่ว่าทำนี้ไปนใช้ภาคขยา ย, ย, นะอาอยาตัวขึ้นทำไมยืดนะจุ่มน้ำทำไมยืดถ้าทําทำหลายครั้งเลยนะถ้าไม่ยอยมยืดเราคุณพร้ภาคเจ้าแสดงตาที่ใบตาสวยนะนะ ข้เขนเห็นเธอเอาจีวร น, นั้นจุ่มนะำ่ากและเดิเปนหายครั้งจึงเสนอข้อไปหาแล ะ, ะถามว่าอยู่ก่อนที่สุเธอจุ่จีวร น, นี้ล ง, งนนะ้และดินเป็นหลายครั้งเพื่อประสอะไรที่สุก็มนักตากคว่าอาการจีวรฝืนนี้เกิดแากข้า พ, พุเจ้าะจะทาจีวรก็ไม่พอเพราะฉะนั้นข้า พ, พทเจ้าจึงได้จุ่มจีวร น, นี้ตากและเดินเนหายรงพ่าพูได้เจ้าข่า ก็เธอยังมีหวังจะได้จีวรมาอีกหรือมีผู้ได้เจ้าข้าพระองค์ก็ทรงอนุญาต ก, การจีวรหนึ่บนะแต่ว่าูก่อนว่าจะต้องหลายเราอนุญาตให้รับอาการลจีวรแล้วเก็บไว้ได้โดยมีหวังจะได้จีวรมาเพ่มนเะติมตอนแรกทรงให้อนุญาตเก็บไว้ได้เลยนะโดยมีความหวังว่าจะได้ข้างมาเยอะแม่ควรจะระยะเวลามากที่สดเป็นกี่วันกันเราบอกใหเก็บไว้ได้เลยจะไ้่รอข้ามา ที่นี่นะครับก้าฤกษ์สมัยนั le, ้นอะไรท้กงหายทราบว่าพระพุท้าตองนิยังได้รับกถาชีวรนะเสร็จไม่ได้โดยมีหวังจะได้จีวรใหม่มาเพิ่มเติมคือรับมกถาชีวรนะเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนครับจนเมื่อนานยครับจีวรเหล่านั้นเธอหแผ่นไว้ที่สายเดียท่านสหานที่เดทางวิจัยตามศาสนะได้เห็นจีวรเหล่านั้นซึ่งวิสูห์หอแผนไว้ที่สายเดีย ทแลจึงถามที่ผู้สงสายว่าจีวรเหล่านี้ของใครของใครมาที่ศาลเมี้ยมนิสุทเหล่านั้นตอบว่าอาการจีวเหล่านี้ของพวกผมพวกผมเก็บไว้โดยมีหวานจะได้จีวมาเพิ่มเติมเก็บไนานเท่าไรแล้วนานกว่านเดือนครับผ้านูท้องแห่งเข้าดีเตียมหมดแล้วและก็ากเป็นนิ้วต้นของตาทุรก็ประชุมสงรงสอบถามทเตียมคือเหล่านั้นและก็บรรยากาศบทนี้ขึ้นมา อยู yeah. you know how? How? ่ได้ป็นะโอเคสมัยแต่หาผ้ายากนะหาผ้ายากจริงแล้วท่านไม่ได้ทำไงถ้ามันจะลองดูนะเผืมันจะยืดขึ้นได้นะัเมื่อก่อนสมัยก่อนโมมอสายระเียงนี่สายอะไร ก็คือความพิมน่ะก็คือที่แขวนผ้าครับเป็นสายแขวผ้าถ้าผ้าเป็นไม้เขาจะเรียกว่าราวตัดผ้าถ้าเป็นเชือกเขเรียกว่าสายระเบียงครับสายระเดียนงก็คือไอ้เชือกไม่ตัดผ้าครับแต่ว่าเป็นเป็นเชือกเรียกว่าสายระเดียนที่ใช้ได้ดีไมคขอว่าสายระเดียนเข้าลำตาที่เข้าอะไรนะ ในนรกนะภาพจีวรของพ่านะจนสาลเดียง น, นะครับหอนลงเลยนะครับโค<อ>้งลงไปเลยนะภาพจีวาของพระก็เป็นตกกับนกแบเ<อ> น, นาาี้ยไอเลาเข้ามามาอะไรสุดใช่ไครับเ<อ>ขาเป็นไม่ใช่แต่นนเดียนเหล็กรับอ้อเหล็กเขาลตาง่านใมครับภาพยีวของพระเยอะขนาดว่าอะไรยังงออะไรใช่ไหม ท้องอะไรนะครับหนักอะไรเพราะแลวก็พูดถึงแน้าที่สุดในสมัยของพระกษัตริย์มาเป็นจักรในยุคหลังมันเป็นที่สุดอังกฤษทูสีอย่างนี้ครับความไม่ดีนะแล้วก็นมดตารล้วก็ตกโลกกันเยอะเลยเล่นในข้อไม่ดีไม่รู้อ่ะนะโอ้ไม่ล้มละนะน่าจะแบบผู้จันร์รอนอะไรนะครับผู้จันทร์้ครับไม่รู้ครับผู้จันทรไม่ใช่ธรามดาแล้วนะ และจนพอพ้นนาลอบนะครับที่มันเกิดเป็นไปลมันเกิดเป็นทิ้งสู่แปลกที่เป็นดีแปลกสาเณรแปลกสามเณรดีแปลนะที่เาเกิดเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่ากรรมทขาทำต้องการประกาศให้รู้ว่าเขาเหล่านี้นะจะเป็นข้าพุทสี์ข้านมีดีบนกาะนะครับจอมต้องการประการเพราะนี้เขาตึงอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็ตึงพระนครับ เป็นไฟที่ถูอเรดเน่นะมีที่วอนมี้ีวองถูกไฟไหม้นครับรออยู่กลางกลางนะครับสะานหวานที่วออะไรไยนะที่พระมหากษัตรเห็นแก่นรับมันเป็นอะไรไความ มากมากเยในการเก็บผ้าไว้เก็บไม่นานใช่ไมนั่นเรียไเป็นการสังคมนะเวกาสังคมเพราะว่าความความพระเจ้าเป็นมาเพื่อการไม่สังคมเรื่อการไม่สังคมเนี่ยโทองครานะครับหรือว่าถ้าเราไปดีในวินัยในพระในเดียวกิริมาห์ตรงนี้นะครับเวาก็ดึรเตือนพระกงนไม่ทำทุกสิกษาหมดเลยนะ โยธาเจ้าทรงถืงเจรยนดุสุลังอเนรเนปิยาดังนี้แล้วกวามโทษในความมีคนเลี which, gains, esterol, like craft, so ้ยงยากความเปคนบำรุงยากความเป็นคนมากมากความเป็นคนไม่สนโดษความคุกมคืความเก็บค้าแต่คุณในความมีคนเลี้ยงหน้าความมี็นคนบำรุงหน้าความบ้างน้อยความสนโดษความขัดตาความขมจักอาการที่น่ายุ่งใสการไม่จัดโตนี้แล้การลบความเพียรโดยอเนกปริยาจรงปรทํามทำมีคาถาที่สมควรแต่เรื่องนั้น ที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ยิสุทธิ์ทั้งหลายแล้วเล่าันกับยิสุทธิ์ทั้งหลายแนละ้วทำให้เขาตัดไปเพื่อการไม่ขัดสมนะเพราะนั้นบอกว่าขอ้อปฏิบัติในข้อศาขน า, า, าอันนี้นะครับเป็นไปเพื่อการละความอยากความปรารถนาทุกอย่งทุกอย่างเลยนะแม้แต่ความปรารถน า, าเลยนะความปรารถนาในความชั่งสารัามีว่างตาเปิดเ น, นี่ย เพื่อการละความอยากความปรารถนาทั้งปวงเลยนะเม่ต้องพูดถึงความอยากอือนเลยนะครับอย่างถ้าบริหารเดือนนั้นเดือนี้อะไรอย่างนี้อะนี้นะองค์นี้อันนั้นอันนีกนะแม้แต่ความอยารปรารถนาอยู่ไปเกิดนะปรารถนาพ้มชาในต้นนี้คือลักษณะนี้นะเป็นสอนเระักษณนะเป็นไฟเพื่อการละความอยากความปรารถนาทั้งวงขอบคุครับ มาดูคำอธิบายหน้า111นะครับตรงกลาขา111ท่านดเอครับอธิบายาการจีวอร์ศิษฐาบดข้อที่สานะครับอธิบายาการจีวอร์ศิษฐดเพิงทาอธิบ า, า, บบายศิษาบดที่สามต่อไปคาว่านิสิตาจีรักตมิทิคุณา เพ่งสร้างนความของปัิยานิท่านว่าเป็นสัตถิญิชานก็เหมือนกันนะตอนนี้ก็หมายถึงว่ากัตถินิเหาะแล้วใช่ไหมครับเนลำนิสสองนี้ชื่อว่าอาการจีวรคือจีวรที่เกิดขึ้นในการคืนแม้จากกากาจีวอการจิวรก็ช่วงนิสสองนี่นิสสองสหนึ่งเรีองนิสสองกัตถินสี่เรีนะครับก็เป็นห้าเรือนะครับที่เหลือก็เนอาการจีวรหมดเลย เวนการชีวรที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเดือนสุดท้ายแห่งฤดูฝนจัดเป็นชีวรละกาของวิสุขผู้ยัม่ไดการกัถิ่นยังไม่ได้การกัดถินนะได้แค่ในสองพรรษาใช่ไหมครับก็หนึ่งเดือนสุดท้ายของฤดูฝนเมื่อการกัดถินแล้วชีวรละกาจะมีห้าเดือนก็ตรงต่อไปนึกดูนึกดูนามีเดือนก็จะห้านะครับ อันนี้นั่ะจีวราการทห่าเดือนอันอื่นแม้ในเขตแห่งจีวรการนั้นะถ้ารอกแถวนี้นะครับก็มีเดือนเรือนเป็นสิบสองใช่ไหมอ่าเป็นการจีวรห้าเดือนที่เหลือเจ็ดเดือนใช่ไหมคมรับอีกเจ็ดเือนถ้าจีวรเกิดขึ้นในช่วงนี้นะก็จะเรียกว่าอาจารยจีวรทั้งหมดนะครับในเจ็ดเดือนนี้ถ้ากิจสุนั้เตนะ้องมาในกลางกันถิ่นะ การจีวรเขาจีวรการเขจะมีแค่หนึ่งเดือนใึ่ไครับที่แบบเดือนที่แบบพ่อจะเป็นอาจารยจีวรครับทีนี้บอกว่าอันหนึ่งแม้ในเขตแห่งจีวรการนั้นเป็นจีวรการห่าเดือนแหนะครับจีวรในชายยกถวายแกสงโดยให้เป็นอาจารยจีวรก็ดีแกจ่อง่างนี้เข้ามาในช่องสงนะ อ้าวของขอถวายการละกีวอ์แขนสองครับทีนี้นะถ้านเขาก็เป็นในกาละกีวอเพราะว่าใช้เขาจอบจงอย่างนี้รับราถือว่ามันเป็นการคี่มันสองแต่ใช้เขาจอบจงก็ลองถือวเป็นอยงนี้ครับยุงนี้ยุงนี้ไม่ค่อยมีน่ะเพราะว่ามันถวาสมธรรมดานะถ้าเป็นในการก็เป็นการอะใรการก็เป็นกลาง ไปจอดจอตงต้องหมจะไปจอดจงทํำไมถวายจอดจงที่สูรูปเบี้ยก็ดีครับถ้าเข้าไม่ได้ถวายสมนะเขาถวายจอดจงที่สุจน์แตน้ารูปคือในช่วงนิสงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอาการจีวองตรบจีวอ น, นั้นชื่อว่าอาการจีวองหนึ่การครับในคําว่าอุปเทยะความว่า จีวรเห็นอย่างนี้เกิดจากสงนะครับอาราจีวรเนี่นะเกิดจากสงจากคนะโดยการได้รในสุขเป็ตนต้นเข้าถวายสงใช่ไหมหรือถวายคนะนลยแล้วเขามาจากต่างแบ่งทางตุเบนก็ร่างมันะครับอธิบายว่าจากคณะมีพวกผี้สุขเอ่อที่เป็นผู้สงเป็นสุขเป็ตนต้นสมัยก่อนก็จะมีโยมบอกข้าจะไม่ถวายสงนะ่อมขอถวายข้าไม่แก่คนะอันเดียสู่ แต่ถ้าหน้าเรียบผ้าที่ทอมถ้าหน้าเนียบผาวินัยเองเอาไ้เจอะตก็จะได้แกะขน้าตรนั่นก็เป็นแบบแกะนั่นนะครับจากญ่าจากมิตรนะครับเป็นผ้ามกุลนี่นะหรือที่ได้มาด้วยสมบัติของตนเคยมีกระเบียบพันมีผ้ามีด้ายนะครั้ก็ไปแรกออกมาด้วยกระเบียบผ้านะครับแา้วอันนี้นั่นก็เป็นอาการที่ว่าน่ะ ใช่ไ่เป็นธรรมานนะต่เป็นปามุคาลิมาเพราาาตรงนั้นนี่นะครับก็อีกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นจากมาริกาคือหัวข้อข้อใดข้อหนึ่งนะครับบรรดามาติกาแปดทิ้ลรูปภาพต่างไว้เหล่านี้ว่าที่สุดทั้งหลายมาติกาแปดเหล่านี้ ย่อมมีเพื่อการเกิดขึ้นแห่งจีอรก็จะแม่บทหัวข้อนะครับแปดข้อนะนะที่เป็นที่เกิดจีวรนะครับ mm hmm. คือทางยกถวายแต่สีมาเดี๋ยอธิบายนะทายกถวายแต่สีมาถวายตามกติกาถวายตามสุดฐานที่จาารัทธาถวายแก่งสงแต่นอกงานเลยนะอ mm hmm. ันนี้นอกการคราบหรือว่าจบลงเป็นอาการใดถวายแต่สงสองฝ่าย ถวายแก่สงผู้อยู่จตรรมณะถวายจอดจงถวายแก่วิสุรูปเดียมนี่จะแปดข้อเราไม่จยายนะนัมรดามากิการเหล่านี้ในคําว่าถวายแก่สีมาแล้วก็คือทางยกเมื่อถวายดยูะบูถึงสีมาอย่างนี้ว่ากระผมถวายแก่สีมามาถึงวัดก็บอกเลยว่าพระคุณจ้ายยอมขอถวายข้าเหล่า น, นี้แก่สีมา นี่นะสีมามีสิบสิบห้าอย่างนะครับข <sl aps> so, ้านอนจอดตรงไปว่าสีมาอะไรอะไรแล้วก็ถามโยมโยมอยู่วายสีมาไหนอ่ะถ้าก็บอกผมไม่รู้นะที่ผมงวัดถวายสีมากขาเลยจังถ้าบอกว่าให้ค่าที่อยู่ในวัดนั้นแจกกันนะครับเป็นอยู่ข้างในประชาสีมาอุประาชสีมาคือเ็ตมครับถ้าเขาไม่ได้จอดตรงเลย ในที่ทั้งปวงก็มีในนี้เหมือนกันและในความว่าสีมานี้สีมามีสิบห้าคือขันทักีมาก็คือสีมาเล็กๆของแต่ลวัดแต่ละวัดแต่ละวัดที่เราปลูกในพระนักสีมาครับหนึ่งนะอุปจาระสีมาสีเข็บ้างนะครับแต่ละวัดเลยอุปจารสีมาสัมาาสังวรสีมาสีมาของมีดุผู้มีสังวรเสมอการ ก็คือพระธาตุสีมานะครับคือเราสมมติเป็นอย่างนี้นะเป็นฐานธาตุสีมาแล้วจะมีสีมาใหญ่ละหลายแบบนะครับเรียสมารักษ์สีมาอันนี้ประวัติาสตร์สีมาสีมาเป็นแดงไม่มีปะทะจากไทีิวส์นะครับก็คือสีมาได้สีมาใหญ่ทะครบสมมติได้สองสองแบบนะลุงแปดเป็นแดงมีปะทะจากไททว์ได้ยีนแต่พระสีมานะครับยิ่งถ้าจากที่บ้านไปจะละอันตราย ศีมาศิระล่าทานศสีมานิคมสีมานครสรีมาอภัณฑารักษ์ศรีมากด้ยลุ้เทปัศสีมาสีมาวักนาชนะประฆาศ์ศีมารัฐาสีมาปักชาสีมาสิปะศรีมาสีมาทั้งนี้ทั้งนี้เจ้ากวาศีมาเอาเจ้าวานีเลยถวายนีเลยนะโหแจกกันมันหาหน้าเลย กวางแท็กอ่าพิสูจนในเกษตอกวางเนี่ยแสนหน่วยอ๋อไหมฮะไดแล้วก็ถวายสนอาหารวง่า่ไม่เคยแจกในโลกเลยนะไม่เยแจโอ้ยเลยเลยนะครับสร้า่อาสัยี่สุทธิู้นิรื่อยๆางนี้ปัญนาสืมาเหล่านั้นที่ว่าอุปจาระซืมา กอขันทาสีมันง่ายนะครับนี่ว่านะได้อธิบายกไนแล้วประจานทร์สีมาก็คือสีมาที่กําหนดด้วยรู้ว่าของวัดที่มีรู้วผู้ถือบ้านนั้นนะมันไม่รู้เข้ามาแล้วก็ด้วยสถานที่ควรจะเป็นรู้ว่าของวัดที่มันมีรู้ว่าถ้าว่าที่ไม่มีรู้ว่าก็ที่ที่คันจะเป็นรู้ว่าคือเป็นแขกบ้านแน่นอนนะครับควรที่จะร้องของนั้นเนี่ยนี้ก็เป็นประจานทร์สีมาหมกัน อีกอย่างหนึ่งสีมาที่กำหนดเอาเอ็ภายในแห่งสองเลนบาทของเราของบุตรผูมีกองทัพังพาตาจักสถานที่พวกวิสุทผู้ประชุมการเป็นประจำตากองคงฐานที่ตั้งอยู่รอบๆต่อาว่าที่อยู่กัางๆนะครัถ้าวาดนั้นเป็นวาดที่แหบมันไม่ได้มีเข็มว่าแม่นอานาะมันแปว่าของคณะไชอาศัยเข็มปามาอยู่คนที่พ้ายมาถืวอว่าสายได้น่ก็คือ เป็นสี่างครับไม่ได้เป็นของวัดใดๆนะก็ยังเป็นของป่าไมาะะ้เพราะว่าเมื่อไรวันที่ล้างไปเนยจะมารืดเอายืดเอาเลยได้เลยเนี่ยทั้งวัดนะครับพอเราติดตั้งปณิชย์เศรษฐาไม้องเราท้ อ, องน้ำมายวัยดใดแต่นี้มันจะมีกุฏิบางหลังน ะ, ะถ้าราเอาแต่รั้วของว่าอยู่ที่คนหรมีร้วไม่กุฏิบางหลังของเราเนี่นนะครับนนะะมย อ, อยู่นอกเขตสี่ารนี้ครับ เออทำไมอันนี้ก็ต้องใช้วิธีที่ยนคล้องดินนะครับเอาเนี้ไม่ได้เราต้องไปอยู่นอกเขน่ะมีกฎสิทธิว่าชนะอยู่ในกฎสิทธิยมภูมมเลยนะครับเมือนยิงสีอยู่นอกเขตวันนะงั้นนะครับอันนี้ถ้าบอกว่าเราจะไปที่ไหนน่ยให้อยู่ที่ที่สุประโยชน์ในกระจานที่หลงฉันหรือที่ตั้งว่ามอแต่ครูบาลาจก็จะบอกว่าอกฎสิทธิหน้าสุดท้ายครับ วัดจาริกุติลาสุทนานี่ยะยรอบใหม่นะครับที่ยังต้องเดิไปสองตุ๊บเต็มแรงนะครับเที่ยวไปสองตุกบนะรต้องตกตรงไหนนะส้านที่นั้นแหละเข้ามานะคราบเรียกอุปจาระสมาหน่งนะครับแล้วก mm ็เ hmm. ข er mm ียนจัมภาษาก็เหมือนกันนะครับก็อย่างนี้ม mm ือนกันนะพอเจัมภาษาก็เดินไปที่นั้นแหละอยู่กุติอาสุทนาเนี่ยี่ยงไปสองตุก พ่อเนี่ยทางจระนารูที่เจดีย์ภาษาเขาจะขันนะครพอมันเลยเลยจระนารีมาในสึงบ้านแล้วใ่ครับระนารูไงรูขึ้นตรงที่ที่เจดีย์อยนะอันนี้เราไม่สีง่ายนะครับเพราะว่าดินอเนกน่าเราจะอยู่นอกเขตก็มีแเราเคลื่อนก็มีดีเด ถ้าไม่เป็นะถ้าเดแลยวเป็นน้ำหน้าครับหรือเป็นยาดีอันนี้ต้งให้ให้ถือกันอยู่ว่าไม่ได้นะให้ถือเป็นน้นอยู่ไม่ได้ความคุณทราบว่าเป็นประจารสีมา ก็ปจารสีมานะเมื่ออาว่าขยายว่าขยายก็ขยายไปด้วยนะนะครับพื้นที่ว่าเขาไปซื้อคืนที่ว่าเพิ่มน ะ, ะมีวก็เพิ่มเมื่อรดพื้นที่อาวับ้านก็ลดฐานด้วยนะครับเราแม้มีขนาดตั้งร้อยโยนะครับร้อยโยหนึนย์หนักพันขะองร้อกิโลใช่ไหมกว้างมากนะครับกร <c oughs> รมาการเลือกหรือไม่้งนะมึงหรอนะครับในพัน พันี่ครับพันไรเน่ยนะถ้ไม่ถึงพันกิโลไม่ถึรอบพันกิโลมันทะนูนแล้วะไรสิบิโลอะไรเชยนใหม่นลยครับผลออกมาคัยงโดโอ้โหอมันมาเลยเห็นขนาดนั่นนะอะไรเชยนใหม่แล้วครับ ท, ทั้งมาแค่เลยนั่นเองวัดควางนะฮะคือมาแค่เีว เ, เป็นปัจจารสีมาเหมือนกันนะครับล า, าบที่ทายไมถวายปาัจจารสีมานั้นย่อมถึงแก่ทิสุผู้อยู่ภายในสีมาทั่วรูปครับถ้ามาอกรวมของถวายเป็นปัจจารสีมานี่ก็จะได้แก่ท่านู่ในวันนะครับทรูปเลย น่าจะมีอยู่นะมีแต่สีฟ้าไหลที่เขาสมมุติสาโยกนะสมมติมากว้างทางใหญ่ขนาดสาโยกเลยินหมูบ้านไปจุดแปลงในบ้านเ่ยนั่นและก็สามอยู่คนสมมุติหรือเปล่าอืมครับไปนะครับอันนี้บอกว่าการบอกปริวาลมาน่ะนี่นะครับการบอกปริวาลมาน่ะ เป็นต้นทั้งหมดถึงทราบว่าเก <políticas> ี <Mick> ่ยวเนื่องกับสีมารูปจาระสีมานี้เท่านั้นเองครับแล้วเราจะไปพูดว่าปริบัติมีวันเท่านี้ครับแล้วก็ไล่บอกกับท่างที่อยู่ในเขียนวัดเขีว่าที่นี่คืออยู่ในคูปจาระสีมานี้ครับผมก็ไล่บอกทุกทุกอย่าถ้าอยู่นอกวัดเนี้ยถึงไม่เสียนะครับถือว่าอยู่ในวัดสุนกันแล้ววิธีมีการขาดภาษาที่เหมือนเฉยที่วากันแล้วนะตอบมแล้วนะครับ ออกไปนอกเขตปัจชาสีมาใช่ไหครับอันนี้ก็ภาษาข้อขานไปรับอานมณ์ขึ้นนอกแต่กลางวันเรื่องอะไรไปรับอารมณ์ขึ้นไม่ได้นะไปรหนอามณนที่เจนี้่ะนี่สัยน้่าน้่งนะครับมิสัยแล้วเปลี่ยนการถือมิสัยกลุ่ปัะชาอาการนะครับก็อาจารย์อยู่ในวัดใช่ไหมกาออารมณ์ขึ้นเราไม่ได้กลับมาในวันเราไปที่อื่นับหรือว่าเราอยู่ในวัดแต่ว่าอาจารย์ออกไปที่อื่นนะท่าไม่ไดมันกลับมารับอนรมณนวั อันนี้สายก็มันละครับถี่นี้สายก็ฟูดถีอนะครับการอวู่ก <in> ับค <at> ุณบาลอาการย์ก็จะน่าอบรมสอนท่านก็มาจากหนได้นะแต่ท่านก็ไปต้องไปถี่ที่ก็อยู่ว่าไหนก็ต้องไปถีที่นั่น้หไะถี่ที่แต่สมัยนี้หาได้นะาะว่ ท่านจะให้นิสัยได้ไม่ดีคร้อมีคุณสมบาตนะอย่ามาต้ภาษาสิถ้าภาษาเกินสและก็ค้องปาิโมทั้งสองหน้าค้องแทะค้องชองทำให้นิสัยได้ดีไม่ใช่แค่ปาดิโมงนะต้องมาวิถีธรรมนะครับทำไมลูกน้องพิขูท่านจะให้นิสัยได้นะครับต้องแรกพิขูพิคุนีวิธรมก็คือคาอธิบายที่ขูพิคุณีปิโมเนี่ยได้ถ้าใจจิตดกนะ เล่นนานๆเขาไม่สบายดีเลยกี inside, eh. ่เรื่องพังี่หัสามเรื่อเลยเลยรับโหไม่ใช่ธรรมดาคือมีโันิสัยนะใช่ถึงจะให้มีนสายได้ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ให้มอนิสัย่าเ้าเป็นใครเลี้ยม่นีขนาดที่ดีที่สุด่องตรงจำได้ขนาดนั้นนะ้นีคพอย หาไม่ได้นะสมัยนี้หยายากนะเมือไทไม่ว่นนะ้ที่ไหนเนี่ยเพราะว่าต้องมีเครสมบัติขนาด น, นั้นี่งไว้ได้นะเราคิดแต่ว่าทำใจไว้ว่าถ้ามีูุบานทางที่ถ้ามีคุณสมบัตินี้เราก็จะผีใส่ได่าแต่ท้ายที่สาดเราทำใจให้พอนิสยัยกถ้ามีคนที่พ้นิสัยนั้เราก็ไม่ต้องไปทำใจไม่ต้องไปขอที่ใส่ใคร้นะครับพ้นิสัยอย่ามาสงสารานนะครับ ไม่น่าองเยอะขนาด น, นาั้นเอาแค่พิคูลพิกูลมีปาริโมงมีจบนะครับทั้งสองฟาริโมงเลยนะแล้วก็หล่องนะครับห่องปานขึน้นใจมีมีจฉัยได้ดีนะครับก็มีมิฉายได้ด้วยนะอะไรเป็นอานบาบัอานบั า, านบัตบานะครับพอรู้รองอาบัตอะไรัก็พอาใจมิฉได้นะครับแล้วมีคุณสมบัติอะไรนะ <m> นมันระู้ การนโมธนนะรครับในงานมงคลหรือว่ามงคลเนี่ยผมวควภาษาถ้าต้องทำนโมธนะเต็มแล้วถูวัตไม่ใช่อีูไม่ได้อีกแล้วก็อะไรนะตอนะ้องได้้าสู่ปีพรรณนะครับปีพรรณวาง ม, มุสลิมแลวก็ต้องรู้จากวิธีการจเจริญัาารรมทานถึงบรุพระันตะครนนมารู้วิธีการปฏิบัตินะอาจจะยังไม่ไดบรรลนะและแต่รู้ที่ตั้งตอกว่า ท่านปฏิบัติท่านตาลประด็ษนี้นะครับโม้ยังยากอย่ากไรโอ้เขามีสัมาไปได้ไหมนะไปได้ใช่ไปได้อย่างมาเสร็จไม่เพียเส็จวัดอาลุที่แปดต้องมารับอันในวัดครับเขาเลยวัตสัมปทานคุ้กใจว่าจะกลับมาภายในเส็นวั ข้อม่นฝไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันร่าการถือเป็นอาสนะเป็นต้องนะครับ น, นี้ก็ถ้ายังไม่เข้ามาในบ้านเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่แจกถืออาสนะให้แก่ที่สุดที่นอกสีหมากนะครับผมขอโทรจองวันศุกร์มา <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ยังไม่ได้โทรจองได้นะแต่ว่าท่านจะได้แต่ต้องฝ่าข้ออื่นๆนะครับเพราะท่านอยู่ในนอกบ้านอยู่นครับท่านจะมีสิทธิ์เด็กที่ก็สองเมื่อมาเข้ามาในบ้านนี้นะครับ ถ้าท่านขอจองไว้ก่อจงนะแต่พอมี้ยินภาพ้วามสามารถขึ้นมาครับแลวท่านมาอยู่บุตรีเหลังนั้นก่อท่านถูกจองไม่มีความานครับเรนี้ต้องมาอยู่ใยวัดประมาณนะครับเศรนาเป็นนั้นนี่เหมือนกันเอาประจำวัที่มาเลยเข้ไปเขาโอ้โหหมดเวลา้วหมดเวลาแก่แกร่งดดิ่มาเรื่องการปกเี้นะครับ อ, นนอากาศจีวรจีวรที่นองจากกาจีวรนะคือเกิดขึ้นในช่วงไหนถ้าเราไม่ได้การกระถิ่นเอครับก็คือมันจะ จะได้สิเอ็ดเดือนครับเว mm ้นเฉพาะในสองภรษาคือเดือนสุดท้ายของฤดูฝนหนึ่เดือนใช่ไนมครับนั้นเป็นช่วงการจีวรที่เหลือก็จะเป็นอาการจีวอทั้งหมดถ้าเราได้การกระถินนะ่ะการจีวรของเราก็จะต่อไปอีสี่เดือน mm hmm. กินฤดูหนาังสี่เดือนครับแล e ฤดูฝนเดื h นสุดท้ายเดือนไปห้าเดือนจนเจ็ดเดือนที่เหลือจีวรจะเึ้นช่วงเจ็ดเดือนที่เหลือก็เป็น อาการจีวรครับไม่ใช่การจีวรไม่ใช่การจีวรครับยูนบอกว่าแม้ในาการนะแต่ถ้าทายกครอถวายจโุม ว, ว่าการครับก็จะเป็นอาการาจีวรหรือที่ก็ถวายส่วนตัวเราก็รไม่ถวายสงครับอันนี้ก็เป็นอาการาจีวรกันครับเนี่ยเมื่อวานเ่อนก็พูดมาถึงนะว่าอาการจีวรจะเกิดขึ้นจากไหนบ้างนะครับจากที่เราได้มันจากสงขณะนะครับ จากหย้าจากมิดหรือใบปังสุกุลมาก็าแลวแทกนะเนี่ยก็เป็นอาการรชีวาทั้งหมดรแล้วก็พูดถึงอะไหนนะมาติกาที่เกิดขึ้นแหชีว่าแปดอย่างนะครับว่าพึ่งนพึ่งว่าไม่ได้ค้อแรกนะครับนี่ไม่ใช่ข้อไหนเนี่ยทำไมคือค้อแรกนะครับรหนนะ้า น, น, นึรอยสิบสองเมื่อวานเนี่ย อ่าใช่ใช่ครับเพื่อว่างถึงข้อแรกนะตรงที่เราถวายแก่สีมาอม่าใช่ครับมันอย่างที่เราถวายแก่สีมาสิบห้าย่าเมื่อวางคำนัดสีมาอุปจรารสีมาเนี่ยเพื่อที่บางจบอุปจรารสมาครับ <c oughs> ต่อไปคนระับมาขึ้นคําว่าคําว่าราพระสีมาหมายถึงสีมาที่พวกพระราชาและราชอัมมาเป็นต้นให้สร้างวิหารแล้ว เขาสร้างวัด น, นะครับทีเขาสร้างวัดแล้วกำหนดเข็นรอบๆด้านคามุตหนึ่งก็ดีครึ่งยอดก็ดีหนึ่งยอดก็ดีกํามหนดไว้ว่าสีมานี้จํะเป็นลาภสาีมาของวัดพวกเราสิ่งใดเกิดขึ้นในระหว่างนี้สิ่งนั้นทั้งหมดพวกเราเราถวายแก่วัดนี้ชื่อว่าลาะสีมาครัเขอสร้างวัดถวายนันะครับแล้วเขามีอำนาจนะคุณเนี้่ย เขาก็เลยกําหนดเขตนะครับพื้นที่นะชามุ่นย่อครึ่งย่อหรือว่าย่อก็ดีแล้วบอกว่านะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นที่นี่เป็นส่วนสาอากรนะครับอาพาสีอากรต่างนะหรือว่าผลกำไรถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในบริเวณเนี้ยที่เขากําหนดครับเข้าในถวายแห่วัดทั้งหมดเลยนะครับเนี่เขตที่เขากำหนดนะนะว่านะครับเป็นราคาฆศมา ตรงนี้เนี่ว่าราฟาสีมันะครับราคฟาสีมันพุทธเจ้าทรงตัดนเดนเองก็ไม่ใช่พระธนาคารจะบอกไว้นะพุทธเจ้าทรงญาตนเ่งก็ว่าทำได้แอ่ตรงนี้แหละที่จะเป็นอะไรนะที่จะเป็นอะไร น, นะมีสงครามามาถสงมาใช่ไหมครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ในเขตที่เดี๋ยวพวกงานสารสีมากำหนดเอาไว้ ว่าในบริเวณนี้นะครับอาศัยเหตุที่เราว่าพอเขามาสร้างวัดสร้างอะไรถวายวัดแล้นะครับแล้วก็กำหนดเขตนะครับกำหนเขตที่เขาว่าครับเป็นเครื่องยนต์ยนต์แล้วแต่และกำหนดว่าอะไรที่เกิดขึ้นในเขตนี้นะครับเขาจะถวายแก่วัดที่มองเองนะครับหรือเป็นผลกาไรผลประโยชน์ต่างๆนะสื่อสารกรที่าสามารเขียได้ เป็นชาววานจะวัน ห, หมดเลยคราายับอันนี้พวกที่มีอำนาจนะเนีน่ยพวกพ่อรักชา ล, าชดาาลัดอนาครับเป็นต้องไม่ใ ช, ใช่ไม่ใช่ครับชาวว่านนั่นมีนานั้นครับอันนี้เขาสามารถเก็บแบบอาวุยากรหรืวของกลที่เกิดขึ้นในงนั้นได้ครับแล้วกำาว่า น, นอาวีอาเรียน ต่อไปนะครับส่วนในแง่แข้งท้างหลายว่าท่านมิสมคามาศีมาเข้ากาหนดอย่างนะครับน่าจะกาหนดให้เป็นมิสมคามาศีมาครับอย่างนะเขาจะกำหนดชื่อนั่นเองครัะส่วนในแง่คข้าทข้งหลายมีแข้งกาศีและโกศลเป็นต้น มีชนบทมากมายในชนบทเหล่านั้นการกําหนดชนบทแห่งหนึ่งจําเป็นชนะป่าสีมากนะครับก็ชนบทตะลังตะลังนงก์นะรัการกําหนดวั้นคว้านชื่อว่าครับหาสีมาแต่ละคว้านแต่เราคว้านะแต่ละสมัยก็เป็นร่างนะครับคว้านการสีและคว้านกุศลคว้านการสีนี้ก็มีพระเจ้าการสีที่อว่าปกครอง พระอินร์โกศลก็พระเจ้าบริสุที่โกศลครับคนณพระเจ้ากาสุนี้บอกว่า ก, ก, ากเ็เป็นน้องชายครับเป็นปณิชชาพทางหาณ์ที่น้องกับพระจพเจ้าเสงโกศลครับอ่าสถานที่เป็นไปแห่งอานยาของพระราชาพระองค์เดียวชื่อว่ารัชชะสีมารัชชะสีมามจะกว้างกว่ารัชกาสีมาเพราะว่าพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยมันนี้ก็สามารถแผ่อำนไปได้หลายล้านก็ได้ แพ้งก็ได้เห็นแปกครองอะรก็ไดเนีย่ยก็จะกว้างกว่าก็จะเรียกว่ารัชชาสีหมาทาวีปใหญ่หรือทวีปเล็กๆที่กำหนดเอาทะเลเป็นที่สุดชื่อว่าทีปสีหมาทาวีปนะอันนี้เนี่ยอย่างเช่นประเทศอินเดียใช่ไหมครับชมูทวีปนะสีของทวีปเขากำหนดเอาพื้นที่แผนดินเนี่ย ที่มันไปสุดเขตถึงทะเ ล, ลนครับเพราะถ้าชมุมพุทุมิอยู่ที่ อ, อินเดียใช่ไหมตอนนะั้นมันก็จะได้เยอะถ้าหลายประเทศเลยนะทินไปเยอะแยะเจนกว่าจะสุดนะครับร ส, สุดถึงเขตมหาสมุทรของแต่ละด้านแต่ละด้านนครับคนอย่างจีนอารอาหหลักอะไรหมดเลยนะเป็นสุมพุทุมอยู่ครับพอสุดไปถึงทะเลไปเลยนะครับหรือว่าที่อนอสีนันตานะก็เป็นกาะอสีนันตานี่ใช่ไหม แั้วก็เป็นเทะีลครับทะเลเล็กนะทเลที่สุดของครับทับท้ทททงๆว่าที่มาเอาทะเลเป็นที่สุดนะอันนี้ชื่อว่าสีปะสีมาสถานที่ภายในขอบเอ จ, จักรวาลหนึ่งชื่อว่าจักรวาลสีมาสีมาที่เหลือมีในอังกาวแล้วในคาถาว่าเรื่องเกิดขึ้นแหนิชันเทศว่ากันแล้วนะครับว่าขันท่าสีมาก็มีนะ สมานสังวรษาสีมาคามาสีมานิคมสีมาใช่ครับคนนี้ว่างกนแล้วแก็มาทธิบายครับตกลงไปนะครับบันฑาสีมาเหล่านะั้นสิ่งของที่ทา ย, ยกถวายว่ากระผมถวายแกขันธสีมาดังนี้ย่อมถึงแกพิสุผู้อยู่ในขันธสีมาเท่านั้นนี่นะเข้าเข้ามาในวัดแล้วก็เห็นพระกำลัง ทางสารการในสีมาพอดีใช่ไหมบอกผมขอถวายแก่ขันทศสีมาก็จะได้แยบบ่ท่านที่เข้าไปอยู่ในขันทศสีมาเข้าไปอยู่ในโบสถนั้นนะครับถ้าอยู่ข้างนอกไม่มได้สิทนพรนี้เขาเจาะจงที่สู่ผู้อยู่นอกสีมาหรือสีมัณฑนิษฐ์ก็คือที่ว่างระหว่างสีมาอันนี้ย่อมไม่ได้สิ่งของที่ทา ย, ยกถวายที่ไห ย, ยถวายครับ ย่อมไม่ได้นะย่อมไม่ได้มันจะจบแค่นี้ครับย่อมไม่ได้พอดีทำไมพิมพ์สิ่งของที่ทานยศถวายในอวิปปาวาศาีมาสีมาที่เขาสมมุติแดนไม่อยู่อสสจัสนจีวอก็เป็นขันทาศีมาหรือว่าวมหาสีมาเนี่ยเวลาเขาสมมุติเนี่ยเขาจะสมมุติเป็นสัมมาสัมภาราศีมาแล้วก็อวิปปาวสีมาถูกไัมอย่างนี้ต้องนแบบึกสมมติ่าเอกว่า นาวิปวัสสีมาและลาข้าสีมาย่อมถึงแก่พวกพิสุย่อมถึงแก่พวกพิสุผู้อยู่ภายในสีมานั้นเท่านั้นที่ถวายในทามัสีมาเป็นต้นย่อมถึงแม้แก่พิสุผู้อยู่ภายในพัดข้าศีมา ซึ่งอยู่ภายในสีมาเหล่านั้นนะครับแล้วึือมาดูข้างบนก็ได้นะอานตรงสีมาสุด้านีา่ยมันจะมีคามะมีคมนครเป็นต้นใช่ไหมครับไปถึงหมื่นสุ ร, ริวาลสีมานละ้ว <c oughs> คุณนี้สถานที่กว้างๆนะมันก็จะคงสถานที่แคบใช่ไหมครับที่สุดที่อยู่ในสีมาที่แรกตัวนี้นะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนะั้นอยู่ในนิคมนครนั้นนะครับก็จะได้สุดดีกันหมดเขาบอกของของถาวรแจงคามะสีมา ที่ในคามาสีมานี่มีกี่วันมันมีกี่สีมาแรกๆที่มีญาติหลายวันนั้นนะก็จะได้ทั้งหมดก็ถือว่ามีในหมู่บ้านนะแม้ในทีคนนครก็แต่งน ะ, นะครับพอร็กล่าวที่จะถวายนะถวายจีวรนะครับแก่พิสูกน์ผู<ข>ออ้อยูอ่ในจักรวาลีมา เราก็ต้องาามทำห้นามีใ่หมครับวธีแ่มันจะแฉงไงครับแฉีวอ์กรู้ปะถ้ามองพูดถึงนะถ้าเกิดทายกคนนึงเนียเขาพอรู้วินัยใไหอยากจะลองดูว่า <c oughs> ยองขอสวางแกจักรวาสีมาออผมว่าจะว่าต้องอาศัยยสุสผู้มีลิจนะที่สามจะประกาศให้ท้านอยู่ใจักรวาลทั้งหมดรู้ได้กับอาสัยนิจนะครับ้่าวฟังสุผู้มีนิจข่าถ้าเราทำนานองจะลำบากครับแล้วแล้ ว, ล ว, ล ว, ล ว, ลวทีนีกทีนี้เนี่ยที่ท่านบอกว่า จ, จักรวาล ไม่ไมจักรวาลจักรวาลนันนี้จักรวาลนึ่งนะจักรวาลจักรวาลจักรวาลจักรวาลนตัวไหนเื่องนอ่ีไนี่โลกโลกตรงนี้ะครับแล้วมันจะมีที่ไหนอีกในจักรวาลรือ่รือวจักรวาลตนี้ายอโลกโลกนี้ไม่ใช่เพาะโอกอาจารย์ที่ไหมจักรวาลมีธาคิดวึ่งธาตุดูหนึ่งแล้วก็มีอะไรนะมีสี่ทวีดึงครับ โลกถึงไปที่มีถึงชีวิตอาศัยอยู่ครับแล้วก็มีภูเขาจักรวาลอันหนึ่งครับเป็นเขตตําหนินะครับอาจารย์อันนี้ก็หนึ่งหนึ่งจักรวาลหนึ่งครัใช่ครับโอ้ยอะรเอะนะงกินถึงคมมอโลกอะไั้หมดคืออยู่ในจักรวาลนี้นะครับอยู่ในจักรวาลนี้ก็ล้ชั้นไหนนะครับท่านลูกนเป็นจัรวาอยู่ที่ คอมามอนโรคมีไปถึงไมอบ้านะอยากจะไม่ถึงนะครับแต่เทว่านมีถึงนะครับที่ช่านต่างตรงมมุถึงนะครับเพราะว่าอยู่ข้างบนอยู่ของถึงลึกนะครับต้อมาเรียนที่ทำนะถึงน้ครับเขาบอกว่าเราไปดูที่ท่านบางยันเรื่องกีบจักระวาลนะครับทีนี้ถ้าธรรมดาเราก็ได้แฟังเดียวนะถ้าเราจะรู้จริงๆว่ามันเป็นในต้องมาจบเป็นเทวดานะครับ เราสามารถสืบได้หมดเลยครับที่จะว่าเนื้อออกอยู่ตรงไหนพระจังพรอาทิตย์นะครับและก็ะแต่เราทุ่นเรที่อยู่ตรงไหนนี่ครับมันจะมีอะไรภูเขาจะกวาดสารอันโดานะครับคังคาวแล้วทีอะไรนะตรงนั้นนครับมาหาสมุทรทั้งสี่เนี่ยเราก็เจอมันเทวาดาเนี้ยครับยิ่งดู้านะโอพิสดาฮะมี่ทำไรขึ้นมาอย่างไรนะครับบ <c oughs> นะ า, า ง, า ง, งนนบาทีเราก็เม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะ <c oughs> แต่มีพระเสนาเอกองที่เป็นชาวสรีมังกายท่านเก่งมากนะท่านโตมาท่ากับพวกบางว น, นก็ชนะนะตอนนี้น <c oughs> ่าบอกว่าก็ให้สังเกตดูว่าทำไมเข็มทิศมาถึงชี้ไปทางทิศเหนือทำไมเข็มทิศนะครับมันต้องชี้ไปทางทิศเหนือด้วยฉันไม่ยอมชี้ไปทางทิศอื่นมีอะไรเป็นดวบังคเพราะว่าสนาแม่เหล็กที่อยากที่สุดนะครับอยู่ทางทเหนือนะครับ แล้วกาบ้านเนี่ยคือสนามแม่ใหญี่หญสุดกสนามแม่ใหญ่ี่หญ่ที่ดคือตรงที่ขาสเนอนั่นองะเนี่ยทุกประเทนะบ มาละเอียดไปดูเนี่ยที่ทำถามท า, ทาชืบ่บรรยาที่ จ, จั ก, กรวาลมาผมจาไม่ค่อยได้นะครับค่ ะ, ะใหญ่ที่สุดอ๋อพื้นใหญ่สุดยุ้ยนะครับ ได้ให้ฟังป่ะอ๋ออันนี้คุณไม่ต้องผมไม่ต้องเลยะเอียดมากะอีเแล้วตัวหนาวเนี่ยเรื่อีดีนะครับเรื่องนีดีครับที่จักรวาที่เป็นอีกครับโอเคครับอ๋นี่ที่อักรวนั่นา่านครับเขาคว่าให้ดูเวลาวิทยาศาสตร์เขาก็จะมีใช่ไหมท่านบอกสวสีจกวาลจักวา ก็่างเอ่อหรือสารทุเรียมันมันก็ต้องสถาให้เด็กอย่ืงเง้คือทางที่ได้ ไคะครบทำไอเนี่ยที่ถวายในอับพันตราสีมาสีมาที่ว่าป่าใช่ไหมในป่าที่ไม่ใช่เข็ดเบ้นเบนบาะนะครับเข็ดอับพอนดอนอและก็กลุ่มเคป่าสีมาสีมาวักนานะครับย่อมถึงแก่ที่จุดผู้อยู่ในภายในสีมาเหล่านั้นเท่านั้นถ้าอยู่นอกนี้ก็ไม่ได้นะ ด้วกุเข่าปัดสีมานี่ก็ไม่กว้างน mm ับ hmm. ที่ทำนนาุลกรรมเลยนะและ้วก็มากไปถ้าโยงยังรู้วินัยนะเข้าไปถึงตรงนั้นนะครับว่าคุณเจ้าโนะยงของสวาย <c oughs> ถ้าเหล่า น, นี้แกวิ้นกเข่าปัดสีมาเนะี่ยก็แบ่งกันเลยแค่เท่งนั้นแหละเฉพาะที่อยู่ตรงนั้นครับ <c oughs> ถึงสิ่งของที่ถวายในชนบทสีมาเป็นต้น <c oughs> ก็ย่อมถึงแก่ผู้พิสูจนผู้อยู่ภายในพัสกาสีมา ในไายในสีมาหลักนะั้นก็พระทาสีมาเขาเขาสมมุตไว้เนะมันก็อยู่ในชนบทขนาดนี้เราเขาจะได้ด้วยเพราะฉะนั้นทา ย, อยทอนะท่ อ, ยนะนะย อ, อ ม, อ ย, ม, นน อ, อ, ม, มอยู่ในชมพูทวีอ๋อนี่นะพูดถึงทวีอยู่นั่นนะครับถวายสิ่งของใดว่าพวกผมขอถวายแก่สงในตํำพระนิทวีคือเกาะสุขุมครับอยู่ในชมพูทวีนะแต่มว่าขอถวายแก่สงที่อยู่ใน เกาะสิงห์ผลนะครับอยู่ในตัมพัทปันนิทเวียพิสูรรูปหนึ่งไปจากเกาะตัมพับปันนิทเวีย่อมได้เพื่ออ่านนุ้กครอบสิ่งของนั้นแก่พิสูรทุกๆรูปนะครับหมายความว่าถ้ามีพิสูรรูปหนึ่งที่มาจากเกาะลําตาลนะครับมาอยู่บนนั้นพอดีท่านก็เป็นตัวแทนรับเลยครับเป็นตัวแทนรับทีมอลล์นั้นเลยพอเป็นตัวแทนรับนั้นนะครับ แม้เราขอกีาาะนะวังนนครึ่งครึ่งมอกับกินังกาถ้าว่าเป็นตัวแทนก็แจแง่ก็สงสัยนั้นได้ทำเป็นตัวแทนรับนะครับแล้วก็จแจแงพระสง์ที่อยู่ในที่นั้นได้สามมั่งสมได้แม้ถ้าว่าวิสุทผู้เป็นสภาค้ากันถือเอาส่วนของวิสุทธิผู้เป็นสภาท้า ก, กั น, น, น, าากก น, นในทวีนั้นนั่นแหละครับเธออันใครใครไม่คุณแท้ ในหมามยความว่าอย่างไรในแบบนั้นผมเขียนว่านะครับอคือมีพระนะครับที่เป็นเพื่อนกับพระที่อยู่ในเกาะสิงห์โหน่รับของละส่วนแบ่งแทให้แก่ท่านน้องเขาคือท่านบอกว่าถ้ารับแทงได้เพื่อนท่านเพื่อนท่านอยู่ในกาอลังกาใช่ไหม อ, าอ้าวเขาถวายแก่พระที่อยู่ในเกาะงกาอ่าาะท่านก็รับแทงให้เขาอับนี้ก็ใช้ได้อของเขาไมเป็ไรไม่ต้องให้ท่านานะ เขาจะแบ่งให้แก่พระสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นหรือว่ามีภาพรูปหนึ่งที่มาจากกองถิ่นหอนธรรมทอท่านมีตัวแทนเล่ให้เข้าใจกับพระสงฆ์ทั้งหมดก็มีรูกหนึ่งบอกว่าให้ผมส่วนนึงผมมีเพื่อนในกองถิ่นหอนะผมจะรลบาแทนท่านนี่ครับไม่คุ้ม้าวท่านนะครับท่านก็มีจิตใจดีครับม่นอ้างเลยนะท่ามีเพื่อนจริงประมาณนี้จะพอคุยกันแล้วนี้นะ หรือแม้โทรคุยก็แลแต่ให้ก็มีคิดที่จะบอกนี้หน่ครับจะรับแขกให้เพื่อนะอครับอส่วนทานยง้งใดเข้าไปยังมีหาแล้วไม่ได้กล่าวเลยว่าถวานแกสีมาโน้ตไม่ได้บอกนะครับศีมาไหนนะกล่าวยังเดียวว่าถวานแกสีมาทานย้งนั้นอันสองควรถามว่าชื่อว่าสีมามีหลายประเภทท่านกล่าวหมายเอาสีมาประเภทไหน เนี่ยต้องถามเขาให้ชัดเจนครับว่าเขาจะถวายสีมาไหนกันแน่นะถ้าเขากล่าวว่ากระผมไม่รู้ประเภทสีมาขอสงฆ์ผู้อยู่ในสีมาจงรับเอาเถิดอวยยมไม่รู้หรอกท่านสีมองสีมีกี่ประแภ่บ้าน <c oughs> งสีมุจสีม า, าเดียว <c oughs> ถวายเงิสีมาแหละรครับอันนี้ทํายังไงหล่ะ <c oughs> เขาบอกนี้แล้วว่าที่สุด สองผู้อยู่ในสีมาจงละอ่าเถอดนะครับท่าบอกพิสุทธิผู้อยู่ในปัจจารสีมาถึงแจ ก, กันครับก็ท้าอยู่ในเตวัตรนะครแจากันั้นเลยต่อไปนะครับ อ, อ, นอนัน้ก ในบท น, นี้ว่ากติกาแย่ชื่อว่ากติกาชื่ออะไรนะถวายวที่ว่าที่เขาถวายตามกติกาใช่ไหมครับก็คือกติกาของราภที่เสมอกัน <c oughs> <c oughs> ก็กติกานะั้นควรจะทำอย่างนี้พิสูตผู้ประชุมกันในทิหารหนึ่งพึงระบุชื่อของวัดนะที่พวกพิสูตไม่ใช่ชายโยนะพวกพิสูตนะครับประสงค์จากสงเคราะ ปรารนาจะถวายรากให้เสมอกันแล้วการเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งว่าวิหารนู้นเก่ามีรากเกิดขึ้นน้อยดังนี้ครับไอ้ท่านก็บอกอยนะี้นะการเห็นใดอ่าหนึ่ว่าวัดนู้นเป็นวัดเก่าครับหรือว่าวัดนู้นเป็นที่พระพุทธเจ้าเคยอยู่หรือว่าวัดนู้นมะีรากน้อยนะแล้วสวดสามครั้งว่า การกระทามวิหารนู้นให้มีราจเป็นอันเดียวกันกับวิหารนี้สงชอบใจก็ฐานครับชอบใจแก่สองหรือกับโลกนากรรมนะก็ถานสงเป็นสามครั้แล้วชอบใจแก่สองหรือสามครั้งนะครับก็สงเป็นผู้นิ่ง น, นะครับด้วยการกระทามเท่านี้ที่สุดผู้นั่งอยู่ในวิหารนนะั้นถือว่าเป็นผู้นั่งอยู่ในวิหาร น, นี้นครับหมายความว่านะเราจะมีวัดที่เป็นสายกันนะครับ เอเอก์เฟลด์ทำดีนั้เหมือนกันนะพอณีว่าเขาสนามชัยราช ก, การาและอัตย์เยอะหน่อยนะครับ <c ười> แต่ว่าสาสาของเราอีกที่นึ่ง น, นะอย่เช่นที่ไหนนะ่ะเกาะบนนะครับกาะของอาจารย์น้ำพงนี่นะอัตขั้นนะคราบไม่ค่จะมีอะไรหนะอกพราะว่าเขาอยู่ในการเกาะ น, นะครับแล้วก็อยู่บ้านออกนะถ้าเราต้องการให้ว่างนั้นนะ่ะเขามีรากเสมืนอนกับว่าเรานะรหมายความว่าเวลาอะไรนะ ของที่ก็มาถวายแกกสงในวัดเราครับเราก็จะแบ่งให้แจกพระสงฆ์ในวัดนั้นนู่นถ้าเท่ากันเลยนครับถ้าที่อยู่ในวัดนั้นนะเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในวัดหลังเมื่อเวลาล้างสระทียนมาเวลาจะแจกพวกเนี่นะครับเรานับจำนวนข้าวทั้งสองวันเลยครับแล้วก็มันแจกถ้าเท่ากันทั้งหลุเลยนี่ครับโดยการถามความเห็นช่องพระสงฆ์นั่นเนี่ยเราก็ต้องการทุกข้อเพื่อสักด์ทำนิกี่อยู่วัดนู้นที่รขาในทาง ประกาศแจกทพื้นนะครับใรูยใทนี้าาเนี้ไปครับีมีวิธีประกาศประชามั้งท่านก็เลยบอกว่าที่สุผู้นั่งอในวิหารนั้นอยู่ในวันู้นเ่นะครับก็ถือว่าเป็นผู้นั่งอยู่ในวิหารนี้ถึงด้ ต้องแจกเทาๆกับผู้ถึงในวิหารนั้นนะครับคือกอรอาจารย์นพพรเนี่ยก็ควรจะทาอย่างนี้เหมือนกันก็มาตั้งปฏิกิรกันว่าอะไรรากที่เกิดขึ้นในวัดครัเนี่ยนะการกระทิหารนี้นให้มีรากันเดียกันกับมิหารนี้ชอบใจกับสงหรืออนจารย์นร่านก็ขาไปมีวัาสองวันเนี่ยก็จะมีล่าสมุดไปทั้งรอเวลาเกิดล่าก็จะมาถวายสมนะก็เรามาแจกเท่ากัน อบนี้ต้องรตาคนรถามแคนบอกว่มีที่สุงเท่าไรเนี้ยเราจะใจ้ขอเท่าที่มีที่สูงอยู่ในเท่าไรเีเราไม่ได้แจกหมอเงินบาี้แจกอาหก็แจกหมอครับเพราะอาหารบางทีน่ะความจริงเราไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้เงี้ย่ที่ว่าเราตีละครประกาศบอกเวลาเฉพาะท่าที่มาถึงตอนนั้นก็ได้คก็แจกก็ได้เลยแล้วอาหารเนี่ยเวลา มันจะมีอาหารบงส่วนที่โยมมาถวายหรือว่าท่าบิดาบัตได้มาแล้วจะบอกว่าถวายสองท่านะครับเราไม่ได้ไล่ไปแจกท่ากรมมฐายข้างานนะฮะแล้วก็ปีละทำท่านครับแล้วก็แจกตามแบบท่าถิ่นล่านครับก็ถือว่าแจกแก่ผู้ที่เข้ามานะถึงที่เราจัาการจะตั้งตอนรับนะครับแต่นี่ก็ทำไม่มีหน้าสมุนกลางนะ คณจะหมายอะไรอย่างนั้นของเล็กน้อยนี่รครับล้วก็ไม่ได้ใหญ่บ่อกอนี้ของเ่ากนานานๆทีต่อไปนะครับอะไรนะี่เ อ, อ้นะครับกุมนังนะดูข้าวไปก็ด้วยการกระทำอย่างที่สุฤฤฤฤฤผู้อยู่ในวิหารนี้ถือว่านั่งอยู่ในวิหารนั้นเหมือนกัน เมื่อสงแจกภาพในวิหารแห่งหนึ่งภิกษุจะถือส่วนของสงที่อยู่ในวิหารนอกนี้ย่อมใช้ได้ก็ต้องแ บ, บ่งขเขาส่วนหนะึ่งแล้วก็แ บ, บนะ่งใชโทรหาแล้วใช่ไหมแล้วก็แบ่งเยอะๆทีค่อยส่งให้ดูวัวไม่ก่อนนะแสดงเยอะๆทีก็ส่งให้นะครับ ม, มาม่นนะ า, า, ราประกะของอะไรนี่นะเก็บเลื่อนเลื่อนเลืเล่องแล้วได้เท่าไหร่พอเยอะแล้วค่อยส่งไปก็ได้ ต่อไปครับในคำว่าพิขาปัญญติยาที่สั้นแปลว่าอะไรถวายตามสถานที่จัดอาหาราสถานที่ตั้งีิสาหมายถึงสถานที่กําหนดการบริจาคของทายกเพราะฉะนั้นเมื่อทานยกล่าวว่าอันนี้เขาเปลีมม่ยนํานวนนะครับผมตกใจไม่ให้นะท่านบริจาคปัญจำ ข, ของท้าปรจาจญ์ การทำอยู่ในวัดใดแล้วก็กลับมานี่นะพระเจ้าขอถวายในวัดนั้นค่าอาหารของทางยกนั้นย่อมเป็นไปในวัดใดหรือทางยกให้พิสูจน์ฉันเป็นประจําจากวัดใดสินาหนะบัณฑแห่งที่ทางยกนั้นสร้างไว้แล้วในวัดใดสิ่งของนั้นถือว่าเป็นอันเขาถวายในวัดทั้งหมดอ น, นี้นะ ถ้าต้องู่นยกทวาตรงนี้จะชัเจนนะรัเ่เป็นไจริงเข้าหมายถึงอย่างนี้ครท่านบอกว่าพัตานานะของสงซึ่งเป็นของทางยกผู้ถวาจีวรเป็นปดไปในวัดใดก็ดีทางยกความวิสุทธิ์ทั้งหลายในวัดใดให้เป็นภาระของตนนินมนต์ให้ฉันในเรือนทุกเมื่อก็ดีในวัดใดเขาทรางที่อยู่ไว้ก็ดี ก็คือว่าไหนเน่ยที่เขาถวายอาหารแก่พระประจำท่านครับเวลาจะมาถวายก็จะมีมโนแพ้วัดนี้นะครับไปนะไปฉันประจํานะครับนี้หรือว่าข้อสร้างเะไปเห็นนักสนะนะไว้ในวัดวะครันวัดใดก็ดีในวันใดเขาถวายฉลักพระแต่งต้นเป็นนิตรดีแต่แม้วัดทั้งสิ้นอันไหนกในสร้ราบนะครับเขาอาจจะทรางวัดนี้เลยนะวัดเลย ในวัด น, นั้นของชายย่องนั้นไม่มีคําที่จะพึงกล่าวท่านบริจาคเหล่านี้จัดเป็นท่านบริจาคประจําก็คือเป็นของที่เขถวายประจําำในว่านั้นเพราะเหตุนั้นถ้าเขากล่าวว่าท่านบริจาคประจํ า, จาจของข้าพเจ้ากระทำอยู่ในวันดใดข้าพเจ้าถวายในวัด น, นั้นหรือว่าท่านจงให้ในวัด น, นั้นอย่างนี้นะครับมัก็อยญ่ได้แก่วัด น, นั้นใช่ไหม ว่าที่เขานิมนต์พระแล้วก็ไปถวายอานประจำในที่ว่าง น, น, นี่นะครับถวายสารกาบพระพระประธานเป็นนิรุ้ยก่สร้างสีน้ำชาสร้างอไนนะไรนีครับแล้วเขาบอกอย่างนี้อถ้าหามว่านะครับมีพระบริจาคประจาในที่หลายแห่งเข้าก็ทาบุญหลายที่นะจีวรนั้นไปนำเข้าถวายทั่วทุกแห่งทีเดียนะครับใอเนื้ความเหมือนกันนะแต่ถ้าพวกพิสุจน์อะไรเหมือกัน ก็ถวายอาหารแก่สงฆ์ประจาหลายวัดเราทำยังไงดีถ้ามีวัดเดีก็มีปัญหาใช่ไหมเมื่อเข้เระบุบูรณานี้ว่าเ้าถวายอะไรนะอาหารประจำจามหรือมิมนเพราวัดไห น, นหะจะรับอาหารประจํามตรนี้แล้วก็ถวายจีวาเหล่านี้นละ้วแต่ท่านวันนั้นแหละถ้าวันไหนจะอย่างนี้นก็ให้แก่วัด น, นั้นะครับแต่ถ้าวัดที่เขาถวายประจํามันมีหลายวัดเนี่ยจะทำยังไงดีนะครับถ้าบอกวิธีนี้นะครับ เขบอกว่า น, นี่นะจีวรนั้นเป็นอันเขาขวายทั่วทุกแห่งเดียวแต่ถ้าพวกพิสุจ์มีจำนวนน้อยกว่ามีอยู่ในสถานที่ทำไปประจำแห่งหนึ่งหรือมีผ้าเพียงผืนเดียวควรถือเอาตามที่ทา ย, ยกนะั้นยกหัวข้อขึ้นมากนะดถึงว่าเี่ยที่แกไปทำประจำวันทั้งสองวัดใช่ไหมวันนี้มีผ้าสี่สิทธ์ว่าขาสนามชาย นนยยอีวันหนึ่งพุทธชโยจะมีพระทักสิบลูปอย่างนี้นะครับรางก็บอกโยนี่ครับครัก็บอกเข้าไปเลยในท่านเนี่ยว่าอ่านะบอกคือบอกว่าในวัดที่มีพระบริจาคประจำของพวกท่านวันหนึ่งมีพิสูงมากวันหนึ่งมีพิสูจน้อยที่ปิดประตูครับวันหนึ่งพิสน์้อยก็บอกเข้าไปเลยอ่า น, นะถ้าเขากลาวว่าท่านทั้งหลายจงถือเอาตามจำนวนพิสูจนเถิ สมควรแบ่งหือเอาตามนะครัแล้วก็แต่ทีวอนนั้นนะตาไม่เข้าบอกนะครับตาชนุชิตสุไม่ต้องแบ่งคนละครึ่งนะไม่ไนะคนละครึ่งวัางรู้จะได้เยอะกว่าใช่ไหมพอร์มพักเน้อยครับแล้วก็แบ่งนับถึงหนึ่งพันก็แบ่งไปเพราะว่าใครไม่บอกอย่งนี้แล้ ว, วครับเป็ น, นอันนี้นะครับท่าท่าคือเบียทําเนี่ยก็ถามยโยมแหละโยมสวนที่ไหนกันแน่ ถ้าบอกว่าก็ในคําว่าฉันต้องมายจองถืออาการจนวนที่สูตรเอ่อนี่ถ้าและเษสับเป็นต้นแม่น้อยย่อมแบ่งกันได้หรือไับถ้าหรือว่ายานั้นถือน้อยถ้าเราก็ยังแบ่งกันได้น้ําผึ้งก็แบ่งไปเลยถ้าได้เขาเริ่มอีกกิ่กิ่งกมขีดลิ้นนะก็แบ่งแม่ท่าเหมือนกันนะครับก็วัดไปนะแต่ว่าถ้าเป็นเตียงต่างเนี่ยมันจะต่ำแบ่งคนละ เช่นขนาดเช่นหนึ่งไม่ไนะครับแล้ววัดที่เข้าไปถวายมูปประจําก็มีหลายที่เกิดบอกว่าแต่ถ้าว่าเตียงหรือสัมมีตัวเดียวเท่านะนะครับก็พึงถามเขาว่านะครับพึนถามเ้าแล้วพึงให้สำหรัว่าหรือเซนทรัลแน่ในว่าที่เขาสั่งแล้วก็ถามว่ายอมยอมจะถวายร้วนไหนกันแนเพราะวมีหลายวัดที่ยืนมาทำประจำนะครับแล้วก็ คำตางคำนี้คำนะพี่บอกนะครับวัดสมายวัดไหนก็วันนะั้นแหละถ้าเขากล่าวว่าพ่สูจนนุนจงถือเอาดัง น, นี้ควรอยู่แต่วเขาระบุผภาอะไร น, นะเอ้าให้อาจารย์นะัใช้ด้วกันกนะครับแล้วก็ไปใหาอาจารย์รุ่นนั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้กล่าวเลยเขากล่าวแต่ว่าเาท่านจงให้สำหรับวัดที่มีท่านบริจาคเป็นประจําของขา้าพเจ้าเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายที่สิว่ า, าที่้องทําประจำใช่ไหมครับ ดังนี้แล้วนะไม่ทันได้สั่งการไปเสียแม่ระบุว่าจะให้ถาวายตรงไหนกันแน่เพราะมีหลายวันนครับทีนี้เสียงสั่งมันตัวเดียวทำยังไงจะทําำยังไงครับผมเตียงสั่งมันตัวเดีย ว, ย ว, ต ว, ยวแต่ว่าที่เขาไปทำมุนประจําเนี่ยมันมีหลายวันและเขาบอกว่าถาวายแต่ว่าที่เขาไปทําุประจําอย่างนั้นด้วยนะครับจะแบ่งกันยังไงเขาก็ไม่ได้สั่งนะ ให้ไปให้วันนั้นหรือถวายแก่พราศรีนั่งโน้นก็ยีก็ตั้งกิจการกันก็อยู่วันใดก็ใช่คือัารให้่วามรัก พนสัมการนะครับสองพูนสัมการว่าท่านจงให้ในสถานเป็นที่อยู่ของพระสังฆาเถระไม่มีตลอดเลยนะไม่มีระเบืยบสองทีให้ใครไมคที่นั่งเลยครับเอาพระสังฆาถึรับประสาทสูงสุดก็ได้ครับข้าในที่นั้นะครับมีเศนาชนะบริบูหรือว่าพระเถราไม่ต้องกลัวรางเยอะแล้วอะไรเศนาชนะเยอะแล้วครับ ในที่ใดสื่อนสนาไม่เพียงพอทนให้ในที่นั้น น, นะครับก็ให้ว่างนั้นในที่นั้นนะถ้าว่า น, นะครับมีพิสูรรูปหนึ่งกล่าวว่าในที่อยู่ของข้าพเจ้าไม่มีของใช้เกิดใน่อสนสนะทนให้ในที่นั้นเพราะว่าแกไม่มีนะก็ให้แกไปได้เนี่ยอย่างนี้นะครับต้องการคำว่าสังฆสัจเทติที่ว่าย่อมสวายในสม อืมครับสิ่งของที่ทาง ย, ยกเข้าไปวัดถวายมากกระผมถวายแกสองย่อมได้แก่พวกพิสุขผู้อยู่ในอุปจารสมาถ้าที่อยู่ในเขตว่างนะครับก็จะได้ก็อกว่าเขาเข้ามาในวัดเลยนะแลบอกถวายแกสองและพวกพิสุขผู้นําเนื่องเป็นอันเดียวกันกับพิสุเหล่านั้นนะครับโอเนว่านําเนื่องการระหว่างห่างไม่เกิดสิบสองสองนะครับ เถึงแม้จะอยู่นอกประจานาศีมานั้นนะครับหมายความว่าพาะพวกนี้นะเขาไม่ได้อยู่ในวัดครับเขาไม่ถึงวัดนะแต่เขานื่องเป็นอัน่อเกี่ยวกับพรนที่อยู่ในวัดนะครับพระจะเดินเข้ามานะอาจจะไปที่ไหนอื่นนะครับไปที่เพิ่งกลับมาแต่ว่าเยอะใช่ไหมเป็นเดินที่ดวงจางเลไกๆเขาแงแต่นะนะก็มีส่วนหนึ่งที่เข้ามาในวัดแล้วอีกส่วนหนึ่งยังอยู่ข้างนอกนะครับแต่แถวติดกันเลยนะต่อมาเลยนะครับ ทางที่อยู่ข้างนอกก็อยู่ในบ้านันเหมือนกันเป็นแถวยาวเลยนะหรือว่าห่างกันก็ไม่เกิน22แถวห่านกันนะไม่เกิน22กว่าหกเมตรนะครับอันนี้จีวรที่เข้ามาก่าวว่าเขาถวายแกสองนะครับก็ใหญ่ได้แก็บพระที่อยู่ในวัดและก็พระที่อยู่ข้างนอกด้วยที่ถือว่ายังเรื่องเป็นแถวใกันกับพระที่อยู่ในวัด น, นะครับอันนี้จะได้ดยื่นครับเมื่อนะครับ พิสูผู้รับของพิสูเหล่านั้นมีอยู่หมายว่าเมื่อทั้งที่ท่านยันเข้ามาไม่เห็วัดหรอกเพราะว่าพิสูมาเยอะใช่ไหมครับถ้ามีคนรับแทกให้ท่านนะก็ต้องให้ส่วนแบ่งกันนะครับมีคนรับแทกให้นะท่ายังไม่เข้ามาถึงเข็ามวัดหรอกก็ต้องให้ให้เหือนกันแม้แต่พิสูผู้ยังมาไม่ถึงนะครับส่วนสิ่งของใดาทาง ย, ยกเห็นพวกพิสู ในภายนอกพระจารย์สีมาครับอันนี้น่าเห็นพ่าอยู่นอกสีมาครับถวายว่าขอถวายแก่สงสิ่งของนะั้นย่อมได้แก่บริษัทผู้นับเนื่องเป็นอันเดียวกันนะครับคือไม่ต้องออรรมกลัมาว่างหรอกนะแจกแจกนันที่นั่นเลยครับเราจะไปขีดมงคลนอกว่าแล้วนบะว่ามันก็จะมีเป็นคําถวาย เทมาเทมิ่งก็ว่าเองครับอันนั้นก็ถวายท่านจะเป็นกองน่ามุสมิมอะไรอย่างดีเลยนะครับก็คือครอบค่าที่อยู่ในที่นะ้ที่อยู่ในวงการน่ในลักษณะสิบสิบสองสอบนะครับก็แจกได้เลยนีะตอนนั้นก็จะได้ท่าที่นที่นะ้ส่วนที่สูจนะครับส่วนที่สูรเราได้ยังไม่ทันถึงบริษัทด้วยหางสองสอบท่าเราได้นะหามนะ ยิ่งไม่ทันสองสองไม่ได้อยู่ในบริเวรนั้นนะครับพระสุ่านั้นไม่มีสิทธิ์ได้ของนะครับ น, น, นี้นะครับความที่ในที่นี้ท่านพูดถึงขนาดนี้นนนนะครับท่าบอกว่าถ้าพระสุรายนะเข้าได้ฟังข่าวว่าได้ยินว่าในวัดนู้นจีวรเกิดขึ้นมากจึงพาจะมานะครับจะมาขอส่วนแบ่งมั่ง <c oughs> ว่าเราหัดขั้นเลยเกินไม่ค่อยมีผ้าใช้ะใช่ไหม นแต่วัานั้นเมีแต่ผ้าดีๆนะครับมัสลมพัสเรนอะไรนี่นะก็เลยมากันนะครับเชิญพากันมาจากวัดซึ่งตั้งอยู่ในระ ย, ยะยอดหนึ่งบ้านกลานึ่ น, นับหมกิโลเลยพื่อให้จำเดินแต่ที่ซึ่งเธอทั้งหลายมาทันแล้วทันแล้วนะครับเข้าลำดับเฉพาะที่เธอมาไม่ทันเข้าประจาาสีมาแล้วเมื่อเทวาสิบเป็นต้นจะรัแทงก็ควรให้แทง พอท่านมาเนี่วแป็ น, บบนดี ก, การไปแถวหรือการกับตั้งอยู่ในวัาางนรั้มให้อันเดย์วาสิเป็นต้นกล่าวว่าท่านจะให้แกีิสุผู้ตั้งอยู่ภายในอุ่งปรจารศรีมานัง น, นี้เมื่อคืให้นะครับพราถ้าเขาอยู่นอกแถวม า, านีงไม่ถึงที่เลยนะรู้สึกว่าหาหมากรองจารอยู่ใกล้นะะแถวเขาไม่ได้เนื้อหายกันอันนั้นก็ไม่ต้องให้ แต่ที่ชูไปไหนะ ว่าวัดพิสูจเท่างหลายผู้อยู่ที่ประตูวัดของตนอยู่ที่วัดตนเองเลยนะครับหรืออยู่ภายในวัดของตนทีเดียว่เป็นผู้เนื่องเป็นอันเดียวกันกับพิสูจเท่างหลายผู้เข้าประจานสีมาไซาสีมาชื่อว่าขยายออกด้วยอำนาจบริสัทโอสยในว่าแถวยาวมากนะตั้งแต่วัดเข้านะแถวยาวมาเห็นว่าเราเลยก็ไม่ดี <c oughs> <c oughs> อันนี้นะสีมาชื่อว่าขยายออก เพราะฉะนั้นควรให้เพรพอถือว่าอึดอันนะครับเอาแม้เมื่อให้จีวรแหกสังฆนวัตต์แล้วก็ควรถวายแก่พระสิรทั้รมมาผู้มาภายังเหมือกนกันนั่นก็เช่อนี้ครับต่อไปอส่วนในคําว่าพระโตสังฆสัตว์คือถวายแก่สองสองฝ่ายนั้นสิ่งของใดที่เขาถวายแก่สองสองฝ่าย สิ่งของนั้นพึงให้แ ก, ก่ผู้พิสูจนครึ่งหนึ่งแก่นาพิสูจนีครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยนะขอถวายแก่สมสองขวาน ก, ก็แบง่งอะไรหน้าฝาขึ้นะครับแต่ถ้ามีพิสูจอยู่รูปหนึ่งและพิสูุณีอีกรูปหนึ่งควรให้ส่วนครึ่งเดียวเท่านั้นโดยที่สุดแม้แก่อันประสมบังโอเนยังจะได้ขึ้นเยอะนะพวก สำเนียงสำเนียงดีเลยคุณนี่นะครับแน่ขึ้นเดียวแต่เมื่อชายบอกว่าอขอถวายแก่สองนะครับอันนี้นะครับมีข้อความตกหล่นนะผมเขียนมาให้ข้างบนครับบอกว่าขอถวายแกสองสองฝ่ายด้วยแก่ท่านด้วย น, นี่นะจำความไม่ได้ดีนะครับขอถวายแก่สองสองฝ่ายด้วยแก่ท่านด้วย ถ้าว่ามีพิสูจอยู่สิบรูปพิสูจนีสิบรูปก็ทําให้เป็นยี่สิบเอ็ดส่วนแล้วส่วนหนึ่งพึงให้แก่บคุคคลพึงให้แ ก, ก่พิสูจน์สองสิบส่วนพิสูจมีสองสิบส่วนนเพราะฉะนั้นบุคคลน่ะเขาเข้ามาพูดกับท่านนี้ใช่ไหมครับว่าสวาัสดีแกสองสองฝ่ายแล้วก็สวัสแกท่านนะครับถ้ า, ามีพิสูจอยู่สิบรูปสิบรูปนรวมท่านไปด้วยไหมครับ สิรูปงวมทั้งด้วยนะและก็พิสุนีสิรูป ก, ก็ให้พิสุนีสรูปก็แบ่งพลังผืนะคสุนีก็แบง่กแบงการทีนี้เนี่ยท่านที่เาบอกว่าแกะท่านด้วยท่านจะได้ส่วนพิเศษอีส่วนนะครับเพราะายังบอกว่าแก่ท่านด้วะท่านได้จากสองส่วนนั่นนะท่านวรจะได้ส่วนนี้ส่วนนะครับรับสำหรับพิสุที่เขาถวายเจาะจง ย่อมได้เพื่อรับเอาตาลำดับคุณสมบัของตนแม้จากสองอีกครั้งนะครับเนี่ยได้สิ่งตัวแนละที่ว่าแล้วก็ได้จากสองอีกครั้งถามว่าเพราะเหตุอะไรตอบว่าเราอันนี้ก็ตกไปให้แก้ใหม่นะครับข้างบนเเลยสองเพราะความที่พิสูจนั้นอัญชายยกถือเอาแล้วด้วยการถือเอาจากสงทั้งสองฝา่ ุ้างสูออกจากสองลักสองฝ่ายใช่ไหมท่านก็เลยได้าจากสองนีกทีนะครับตวัวลทีเน่เยด้านนด้จากสองอทีเนะี่ยอันนี้ผมงงรไม่ว่าเพราะเห็นที่พิสูจน์นะอันเขาถือเอาแล้วด้วยสบบามอุปกรสองนะครับสองฝ่ายต่อไปนะครับแม้เมื่อชา ย, ยกกล่าวว่าถวายแกสองสองฝ่ายและแกเอดี AD ก็มีในนี้เหมือนกัน ก็อะไรสึ่ว่าพระเศษพิสุณีเศษใช่ไหมแล้วก็แ บ, บ่งให้พระเศษแล้วพิสุณีเศษเจีก็ได้1หแค่นั้นะอ่าก็ในส่วนนี้ชื่อว่าส่วนที่ถึงแก่เจดีย่อมไม่มีจักสงเจดียจะไม่ได้จักสงทีหนึ่งนะเจดี JD ก็ได้เะพอะไปส่วนแค่นั้นนะครับไม่มีการได้เที่ยวตามหลักภรรษาจาักสองอีกครั้งหนึ่งชับชื่อว่าส่วนหนึ่งที่เสมอกับส่วนที่ถึงแก่ พิสูรรูปหนึ่งมีอยู่เจดีย์ก็จะได้ส่วนหนึ่งเท่ากับว่าที่พิสูรรูปหนึ่นได้าใช่ไหมแต่เมื่อชายุการว่าขอถวายแก่พิสูรสงและพิสูรนีทั้งหลายนะครับไม่ควรแบ่งครึ่งแจกกันควรนับจํานวนพิสูรและพิสูรนีแล้วจึงค่อยให้เออเป็นยี่งิบแปดนะถ้าบอกว่าแกสองสองฝ่ายพิสูรสองพิสูรนีสองเนี่ยแบ่งคนละครึ่งกันเลย ถ้ามอกว่พิสุทธิสองแล้วก็พิสุทธ์ีทั้งหลายนะครับอันนี้ไม่ให้แบ่งเครื่องให้นับจุดมว น, นะครัมกนะีกีก่ลูกนะก็แจกกรตจายนะท่านนี้ในคําอธิบายการท่านบอกว่านะครับเพราะท่านกลา่าวดยการเจาะจงคนด้วยคําว่าแก่พิสุทธทั้งหลายนะครับน่าถือว่าเป็นการเจานะจงบุคคลเพราะนั้นต้องมันจะมีการเนาะมันกนนะ็นับจุกคนแบ่งให้เมื่อครับปวา่ ว่ามีทิศนีสิลูกกรวมเป็นต้องแบ่งป็นส่วนอเทามิเตอร์ครับก็ถ้าถึงว่าถ้าสิบห้าทิศนีมีส0ก็จะได้นะครับอันได้คนละสุวนะครับคนละนะส่วนนะเท่าเท่ากันนี้นะครับคือถ้าบอกว่าข้าบอกว่าขอสวรรค์เนสองสองกว่านี้นะให้แบ่งขึ้นไปเลยครับ ผมก็ได้ขึ้นหนึ่งพิสูน์หนขึ้น้ก็จะละ่ายก็แบ่งๆจะมีกี่รูปก็แล้วแต่แบ่งกันเองครับแต่นี้ถ้าเขาไม่ได้บอกถวยสองสองาบอกว่าแกะพิสูนสองแต่พิสนีไม่ได้พูดว่าสองบอกพนีเท่าไหร่ครับท่านเราถือว่าอะไรเนี่ยจอดโจมลนะครับก็นับจำนไม่ต้องมีการแบ่งขึ้นครับนับจานวนี่สุดที่สนีก็ว่ามีกี่รูปแล้วก็แบ่งให้คนรส่งคนรับส่งคนรับส่่านน หมายถึงว่าแม้แต่พสุก็ที่นะมาเป็นมวลไม่ไร้เป็นสุขไม่ได้ทำไมไมนได้ครับครับต่อไปนะครับอันไหนพี่อ่ะถึงอันนี้นเมื่อทางยกกล่าวว่าขอถวายแก่พิสุโสรแก่นาพิสุณีและแก่ท่านพิสุรูปเดียวนะครับบุคคลนั้นนะย่อมไม่ได้ส่วนต่างหากชอบได้เฉพาะส่วนส่วนเดียว สากสุนีถึงแก่ตนเท่านั้นอครับอันนี้ก็คือจะนํางเป็นมืผ้านั่งแบ่งกันคไอแก่ท่านี่ท่านก็จะไม่ได้พิเศษอีกส่วนหนึ่นไม่ได้ครับก็ได้ผล ส, สุขเท่านั่นเองเอ่าแต่เมื่อทา ย, ยกถวายว่าขอถวายแก่เจดีย์ส่วนเฉพาะของพิสุส่วนหนึ่งย่อมได้แก่เจดีย์เจดีย์ก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็เท่าพิสุรูปหนึ่งได้นะแม้เมื่อทา ย, ยกถวายแกพ่พิสุและพิษุนี ไม่ควรแบ่งขึ้นแจกกันเพราะเขาไม่ได้บอกว่าสองมีบอกแก่พิสุทมีเมีข่าทั้งหลายด้วยรา้ไม่ได้เอามาที่สีทั้งหลายอ๋อพิสุทิ์มีข้ออ๋อมีให้ดูใช่ไหมครับที่สุดทัางหลายและพิศนีทั้งหลายอันนี้ก็ไม่ควรแบ่งขึ้นแจกกันนะควรแจกทั้งคนเพราะถือว่าจบชมคนแล้ว การกราบถวายบุคคลและเจดีร่วมกับพวกพิสุและพิษุณีเหล่านั้นก็เหมือนกับในที่กาและเป็นรหลังเหมือนกันนะครับก็ได้คนละส่วนคนละส่วนคนะส่วนอะไรดีก็ได้เท่ากับที่พิสุรุ่มหนึ่งได้นะครับวิธีการแจกตั้งแต่หมู่พิษุณีสองเป็นต้นก็คือจัดการเหมือนวิธีการแจกแจกพิสุสองเป็นต้นเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เรเข้าพูดสองขึ้นเป็นประธานใช่ไหม ขอถวายแก่สงแก่พิสุณีทั้งหลายใช่ไครับแก่สงแก่พิษุณีและแก่ท่านเข้าสงก่อนนะแม้ในฝ่ายถ้าเข้ายกพิสุณีขึ้นก่อนเนี่ยพิษุณีสงขึ้นก่อนก็เหมือนกันนะครับมีวิธีแจกเหมือนกันอะไรอืถึงนี่ครับนะวิธีอนี้นะถึงทางยกกลางถวายแก่พิสุสงและแก่ท่านอนี่ไม่มีพิษุณีแล้ว บอกถ้วายแกผู้ทรงแล้วแก่ท่านส่วนของพิสุรูปเดียวย่อมไม่มีแยกทำหานเพราะว่าท่านก็รวมในทรงอะไรท่านเป็นมาแยกแล้วนะแต่จะได้แก่เจดีย์เท่านั้นเจดีย์ก็ได้อีกส่วนหนึ่งถ้าหลับทิพย์พสุรูปหนึ่งได้นะครับเดิมถึงชาโยก่กราถวายแก่พวกพิสุและแก่ท่านว่ขอถวายแก่พิสุทั้งหลายและแก่ท่านครับพิสุรูปเดียวย่อมไม่ได้ส่วนแยกทำหาน พาะท่านรวมอยู่ในพิสูจ์ทั้งหลายแล้วนะครับจะไม่มีการได้เยังสงแล้วแต่สำหรับเจดี JD นะั้นย่อมได้แทนนะครับอลนี่นะท่านก็จะพูดถึงการถวายแก่สองนะครับถ้าว่าในสมัยนีนะ้คนเขาจะถวายแก่สองทีมเขพได้เจ้าเป็นประมุขเขาก็ยังทำได้นะครับเนี่ยท่านพูดถึงนะ าถามว่าจะพ่อในการตอกครับทายโทคุณหลายถวายทายแก่สงสองฝ่ายพระเจ้าเป็นประมุกพ่อพระเจ้ายังสรงพรชนอยู่ใช่ไหครับข้องพระเจ้าเป็นมุกหน้านะพื้นพระพ่าจ้าประทับนั่งตรงกลางพิสุนั่งข้างขวาพิสุนี้นั่งข้างซ้ายพึ้นพระพ่าจ้าทรงไปทอดสังฆ์ให้ได้แห่งสงสองฝ่าย ครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าทรงบริโภคปัจจัยที่พรองได้ด้วยพระองค์เองบ้างร่ำสารให้แก่ผู้ศึกษาทั้งหลายบ้างส่วนในบัด น, นี้เนี่ยผู้ด้วยองค์ไปมิพานแล้วนะครับคนผู้ชนะทั้งหลายตั้งพระปฏิมาเนี่ยพระธารุกนะครับหรือพระเจดียที่บรรจุพระท่าและผวายทางแสนสงสองฝ่ายเพราะว่าทําได้เนี่ยนะคนฉลาดพวกใช้ที่นี่แทนนะครับมีผู้ด้เจ้าเป็นประมุก ตั้งบานบนเชิญนะครับเชิมรองบานหาบานแหละข้างหน้าแห่งพระปฏิมาหรือพระเจดีย์แล้วถวายทักษิโนทกนะครับทักษโนทกกล่าวว่าขอถวายแด่พระพุทธเจ้าอย่างสมัยนี้ที่นั่นจะมีทางภาคอีสานก็มีเช่ครับเขาจะถวายแต่พระพุทธเจ้าหวังนะจะมีคํำถวายไปที่ก็แค่เขาทำประจำนะครับเขาจะถวายเขาว่าพูดก่อนมีคําถวายมีอะไรด้วย แต่เขาไม่มีอย่างนี้นะสองสองฝ่ากก็ไม่ได้นะสมัยนีเขาใช่ไหมครับอเข้าสวรรคเท่านันก็แต่ว่าจักจเหมือนกับสวรยเสงเสงีทีย่างเงี้ยเพราะผมว่ามันดูเ้เป็นยงงเข้าสวายไม่น้อนใชไหมใส่นมมไปนี่หรอครับแบบพับรูเขียนอ๋อครับ ใส่บาอะไรที่นัฮะเข้าววัอะไรนี้ไปครับความคิดเนี่ยเขาก็ท่านก็ทาอย่างนี้นะสมัยท่้ก็ทาอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมมาทำันเองารรมารมบกาคกรับารัาบมันารันคือการกับารนการัาัอกานการกับการมการกัคือกกันเือักมรับ ตจเป็นมุสอญ้ัก็เป็นโยมมีบาตรหร่จัก้างเหมือนจักรไางม้างเหมือนจัดางไหส่สำรับสหรับหนึ่งเนี้ไปไปเลยใส่แปงขน้วไงแป้งมแต่ว่าเยอเหมือนกันนาที่ที่อีสานเรียกบาวผม่าเห็นเยื่อเหมือนกันแต่ก็จะมีชื่ออะไรแต่ก็พอใส่อะค่อนเต็ที่คร นี่นะครับนั่นบอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าขอถาวายจากพระพุทธเจ้าดังนี้แล้วใส่ของคนเคี้ยวของคนบริโภคอันใดเป็นที่หนึ่งในบัตร น, นั้นนะครับอันแรกในถวายเลยข้าส่ในบัตรนะอาครับแล้วก็นาํามายังวัดครับเอามาว่าเอีกถวายบิดาบัตรแล้วัดถูกมีระเบียบแะของของเป็นต้นกล่าวว่านี้ถว า, ถายข้าเจดี จะพ free, like like know, know, uh, percent, ึ่งปฏิบัตอย่างไรในของคนเคี้ยวและของคนบริโภคนะทำางไดีครับเสดสัมมัครังยาชาวิว่าไปรงรนี้เนี่ยอี่งก็คือบูชาพุทธเจ้ารบสทายบาครับซ้อมมือจัดลงแล้วก็ไปบูชาเจดีย์ะครับี่ๆว่าจะคิเนี่ยหรือว่าท่านมอกว่าอันนี้ถวายพระเจดีย์ครับหรือถวายพระุทธเจ้าก็เหมือนกัน คือตอนแรกเขาพูดไปแล้วครับบอกว่าขอถวายแต่รบพุทธเจ้าแต่เวลาเอามาที่ว่าเขาพูดหรือโยมอันนี้แหละถวายพระเจดีครับหรือว่าีรือว่าเขจะบอกวาถวายรบพุทธเจ้ามันจบนม่เหมือนกันครับไม่าหมนกันครับครับทีนี้กำลังจะถามว่าไอ้จุที่ว่าถวายเจดี้อันีเขบอกว่ารบพุทธเจ้าคืออะไรนะครับใช่หมาแน่นเลยคระอาจารย์ที่เขาเป็นคนถวาย่าขอถวายระพุทธเจ้าอันนั้นนะครับ ีัยแต่ว่าเวลาเอามาที่บ้านเนี่ยและกล่อกล่ารว่านี้ถวยก็จะดีครับโยกต้องฝากมาครับครใช่บผมว่าได้ทํำยังไงไหนนี้ถ้าบว่าต่อว่าวัตถุมีระเบียบและของหอมเป็นต้นควรยกวางไว้ที่พระเจดีก่อนต่อต่อมาของหอมนะถ้าเป็นผ้าก็พึงใช้ทําเป็นธงแผ่นผ้าครับเนี่ยทําเป็นธงมีช้าก็ได้นะครับ นํามันพึงใช้ตามประที่ส่วนมินอบานนะครับและเภสัชมีน้ํำพึ่งและน้ำอ่อยเป็นต้นพึ่งให้แก่บัณชิตหรือว่าคระลูกหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รักษาพระเจดีย์เป็นประจำที่นะ้นเป็น้ท่าก็ได้ยกก็ได้นะคะ้ครับที่ดูแลพระเจดีย์ประจําเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รักษ า, าเป็นประจํำสมควรจัดตั้งไว้ดังท่าที่ตนเอง น, นํามากระทําบ้านแล้ว แล้วก็ไปทำวาที่เจดีนะันปันปัดปัดทำความสานะและก็ฉันไะด้<า>ถือว่าเราไปดูแลเจดีย์แล้วนะครับนข้าวนาครับกรณีนะี้รับได้กรณ ข้าวพวกยากบ้างครับของที่ใช้จะดีเลยนะครับมากมครับเป็นเรื่อพวกของใช้นะครับตอนนี้เราพูดแต่พวกอาหารใช่ไห อ, อ, อาหารยาเภสัชอะไรพวกนี้นะอันนี้แค่ดูแลจะดีใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นของใช้น่ะจีวอนได้ขี่ตายนะห้าสิบตายนะสมมตินั้นใช่ไหมคร<อ>ับเราไปหาติก๊กเกอร์ไหมครับ แล้วก็กระจายมองลุมพรเจดีครับใช้วิธีนี้นะแต่ก็ยังไม่เจอที่ว่าให้ออกไปผงออกไปอะไรกันได้ครับก็จะเจอในพวเข้อจอจงพระเจดีนอว่ามันผ่านตะาวไปนะก็มีหลายที่เขาก็มีินะว่าเจดียล่าไปได้แต่ก็ีที่่ก็ยังไม่เจอครับผมว่าจำไม่ได้เหมือนกันนะที่เรียนมาอาจารก็่มี นี่า จ, จสุยคสุพล้วเคยเไปสัมมนางานสัมมนาที่สัมมนานะที่ว่าสากแดงน ะ, นะครับปีหนึ่งนะปีนนใครได้ไปได้ก็จะําได้นะครับ ที่ให้ทําเป็นทองไปเลยถ้าจะเป็นผ้าทําเป็นทองไปเลยถ้าเป็นของของระเบียงด nah, อกไม้ก็ไปบูชาไปเลยครับถ้าเป็นน้ํามันก็ใช้ต่างปฏิทินี้นะครับใช่การถวายพระเจ้าหรือว่าถวายจีนถ้าเขาทาเป็นทองบูชาไปเลยครับครับเอารอกเลยก็ได้ครับทำลายๆทองไปเลยครับได้ครับ หลายทองอะไรก็ได้ครับมุชาพวกที่เบนน่ยเยอะเลยใช่ไหมครับอันเป็นไรนะถ้าแบบมีมียกเข้ามาแล้วเขาเขาบอกว่าเหมือนกับทองที่เบนทองไรครับก็จะเป็นทองห่่นใหญ่ๆครับครับ ฮะครับแล้วทนกการบี่ยมันก็จะเร่อขอพระทธเจ้าิดหนึ่นมันกัน้อกันเรื่องพระพุทธเจาครับเขาทำเรื่องใจพิชานะไม่ได้ว่านะเจ้ามาชาหรือไงเขามันมันมีพราธรรอยู่ทีหนึ่ง โยข้าวของเนี่หูอาหารอาาร่อยๆเนยนะพวกขนมนผลไม้นะครับเนงระเจนก็อยากจงฉันเมียก็ข้ า, มาวมันก็กลับไปนะครับเนงก็เลยเอามาเลยนะเอามาฉันกันเลยนะครับแล้วยังแบง่งให้ของอีกนะหลังเนี่นนนนนนบ มีแล้วและก็ฉันไปพอในเอาหมดแ้นะเจ้าของกลับมาดูอีกทีนะครับถ้ายังกลับมาน้องอดูครับท้องหายครับหายเลย่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าตัวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ถ้าฮปาฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า อันนี้ถ right? right? right? right? right. right? so right? ้าบอกว่าถ้าเวลามันกชั้นชิดนะครับถ้าเราจะไปทาว่าปักาก่อนเนี่ยนล้มชันไม่่านพี่ครับให้ชันก่อนแล้วค่อยทำวันก็ได้ครับอันนี้้ในการแล้วก็พี่ยอนไปที่ตรา้งปกมาครับคือพระจะไม่มีเสบบะนี่หลช่ไหมครับมีสบบะแก็อุปาัไปนิยก็แบ่งนะครับแบ่งอาหารแบ่งข้าวส่วนนี้คือให้เก็บพระสำหรับาจบบะแต่ส่วนนี้โย ป่าไปบูชาพระพุทธเจ้าก็จะแบ่งอาหารก็เลยก็เลยใ่นป่าที่นี่ตอคตอนที่มาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจจะหมายความว่าที่สุด่นแหละาบูชาทั้งป่าทุกนั้นหรืออาจจะมีผีใส่ภนะตู้นี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือหรือตามแบบว่าให้ให้ใส่ภาชนะตู้ป่านั่นแหละบูชาจะดีเลยสุดปลายป่าอ๋อต้อทต้นั่งุดปลาย่า บาสนี้น่าจะเป็นบาสของผ้าท่านเข้าใข้มันยืมบาสสองบาสอะไรไปนเข้าใจอย่นั้นมครับมันยืมบาสสองบาสของผ้าไปนะครับแล้วก็ไปใส่ของใส่ข้าครับนวยืมชาติั้งปามนี่คานะครับคืะกับเวลาราเาก็เอ้าวมข้าก็เอาบา้าแต่ว่าบาสของของผ้าท่นก็ต้องคืนสองคืนอะไรเข้าไปนะครับ พองของเขาเนี่ยเขาคอยยืมไปแสาหามาถวายทูตจ่าทีนะครับแต่ถ้าเขาเป็นของเข้าเองหมดเลยพอถวายทั้งหมดเลย <c oughs> อันนี้ก็ต้องมีวิธีนะครับตงใช้ด้วยาฏิกรรมานะบานนะแล้วก็เอากระเจาบรรมพระเจดีย์ที่นะครับอันนี้ก็นนกแค่นี้มาเองนะครับ มากขึ้นหองวันนี้แกแกไปไหนนะกไปไหนนะนรโอเคไปหาลูกเข้าหาลูกเข้าจไว้ติดทำแพร่สารดูพื่เราเป็นสมมติเนอะเพราะแกต้องอ่อนี่ไปอะไก็ได้เอ้ยนี่เสอ็จจบนะคำว่าวัดสัง พุฒิสังฆสังฆทายกเข้าไปยังวัดกราสวานแก่พิุ่สงผู้จำพรรษาสิ่งของย่อมถึงแก่พวกพิสุผู้จำพรรษาแรกในวันนั้นโดยไม่ขาดภาษามองมองเลยเราขอถวายแก่พิสุผู้จำพรรษาก็ยังได้พวกพิจมพรรษาแรกนี้ภาษาแรกภาษาหลังใช่ไหมได้พวกพิจมพรรษาแรกในวันนั้นภาษาไม่ขาดใช่ไหยนะ ถ้ารรษาชาตก็ไม่ได้ครับถ้าเป็นศาสติบาลิเดชันกรนีนั้นะผมผมไม่ได้ไปดครับมืนจะใช้เป็นอนดีตการนี่นะพูดจำภาษาแล้วนะครับต่อไปนะครับอ่าถึงแม้จะอยู่ภายนอกสีมาก็ตามสําหรับที่สู่เราอือไม่ได้ส่นบ่งคือทานจะอยู่นอกสีมารท่านก็ได้นะเพอาท่านจำภาษาหรือว่าท่านจําภาษาที่ว่านเราใชครับ ยกข้อข้านมาถวายเนะก็จำพรรษานะช่วงนั้นก็จะไปช่วงอันศพใช่ไหครัเข้ามาถวายช่วงพอดีนะถึงท่านไม่ได้อยู่วันท่านก็จะมีสิทที่จะได้ครับ น, นี่ก็เป็นการจีวรไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมท <c oughs> ่านในช่วงนี้นะแต่พิสุระอื่นไม่ได้จำพรรษาวัดเราก็ไม่ได้นะครับนี้ <c oughs> แต่ถ้าทายกยืนอยู่ภายนอกปัจจารสีมาวัตไม่เข้ามาในวัดเรานะอยู่นอกวันอะไะ การถวายแก่สงฆ์ผู้จำพรรษาเบอกว่าถวายเขาถวายกับสงฆ์ผู้จำพรรษานล้วนะครับแต่ไม่ได้เข้ามาในวัดอันนี้สิ่งของย่อมถึงแก่พิสุทธิทุรุภผู้อยู่จำพรรษาไม่ว่าจำที่ไหนๆก็ตามขอให้จำพรรษามาได้พราะฉะนันนี่ก็เหมือนกันครัเพราะว่าเขาอยู่นอกวันและเข้ามาได้เข้ามาในว่าถ้าเข้าเข้ามาในวัดก็จะได้แก่พระที่จำพรรษาในวัดนั้นครับนี้ถ้าอยู่นอกวัดเราก็เลยคุมหมดเลย ผู้มาถึงวันนั้นก็ได้เหมือเลยถ้าทายยกกล่าวถวายแก่สงผู้อยู่จำพรรษาในวัดอื่นก็คือวันนู้นนะแล้วเขาจอดตรงเลยโยมขอถวายจีวรเหล่านี้นะครับแก่สงผู้จําพรรษาในวัดพู้ทธศโยแต่เข้ามาพูดด้วยว่าขอสนะชัยนะแต่เขาบอกมาถึงวันนูน้นนะครับ อ, อันนี้เอาไปเลงสิ่งของนั้นย่อมถึงแกที่สุดที่จำพรรษาในวัด น, นั้น ย, ย, ยกไปใช้ยโยนแต่ว่าเราไม่ได้พอจบองแล้วอันนี้เขาได้เฉพาะตราบเท่าที่กระถินยังไม่ดอกถ้ากระถินยังไม่ดอกก็ถือว่าในช่วงอันดับสองของเขาใช่ไหมถ้ายกกราถวายอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกแห่งฤดูร้อนในวัดนั้นครับวันแรกแห่งฤดูร้อนนะสิ่งของย่อมได้แกบพิสูจผู้รูปผู้มารถึง ในที่นั้นพรอกีวรกับขึ้นภายหนักสมัยเพราะว่าในสองกัทินน่ะไปถึงเร่ดูหนาใชครับหมดสี่เรื่เรื่องดูหนาอะไรน่าถึงมันสุดท้ายเยนะครับพอขึ้นวันแรกของเร่้ออันนั้นหมดช่วงันสองน่นะเป็นอังารกีวรกช่วงนั้นนะหมุนช่วงอันที่สอทีนี้ถึง้อาี่บอกว่าอะไรนั่นเนี่ยพเข้ามาถวายช่วงนั้นนะครับก็อยได้เห็นผู้สูงชูรูปผู้มาถึงในว่นนั้นนะ สำหรับพิสูจนเราอื่นไม่ได้พิสูจนที่ไม่ไมาอยูที่นี่ก็ไม่ได้วนนี้ท่าพูดน่าหระเบียแล้วก็ชัดเจนท่านพูดถึงอย่างนี้นะว่านะครับที่เขาบอกว่า<ม>ถ้าวัดแจกวสุที่จอมพรรษาแล้วนะครับมีความว่าพิสูจนมีจํานวนเท่าไรจอมพรรษาแรกไม่ทําให้พรรษาขาดพิสูจนเหล่านั้นควรแจกกันเพราะเขาบอกงนี้นะ จีวรนั้นไม่ถึงแกกพิสุราอื่เมื่อมีผู้รับแทนมีพึงให้แม้แจกพิสุขผู้เหล็กไปสู่ทิ่จนกว่าจะได้สิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเอาผ้ามาถวายนะในช่วงที่สองนี้เนี่ยแล้วก็แจกกันในช่วงที่สองนี้นะครับถึงผ้าที่ไม่ได้อยู่ในว่ายแตเรานะท่าจนจามนะัธสาในรักกษินได้ท่านก็ไปที่อื่นะครับแล้วเราก็เอาผ้าในช่วงนี้สองมาแจกกันถ้ามีคนจะรับแทนให้ท่านนะ ก็ต้องส่วนแบ่ให้ท่านครับแบ่งใช่แต่ธรรมดาถ้าไม่ใช่เป็นการกจีวรนวในช่วงนิสงเนี่ยเัาไม่ต้องแบ่งให้หรอกนะใจอย่างพ่อพระที่อยู่ในวัดนะครับแต่นีมนช่วงเป็นการกจีวรเนีือถ้งท่านไม่ได้อยู่จะมีเพื่อนมีใครจะรับแทนให้แล้วก็ต้องส่วนแบ่ท่านทั้งใจอันนี้เป็นความพิเศษนะใครเป็นเจ้าหน้าที่จะได้รู้นะครับว่าท่านอย่างนี้นะ อ, อพระอาจารย์ทั้งหลายผู้ขอจ า, ารลักษณะกล่าวว่า แต่เมื่อไม่ได้การกระตินนะครับไม่ได้การกระตินเลยก็แลจีวอที่เขาบอกถวายอย่างนั้นในภายในเหนมันแ ะ, ะ, ะ่เราดูฤดูหนานะครับเหมมันตัดก็คือฤดูที่มีหีมะฤดูหนาย่อมถึงแก่พิสูจทั้งหลายพูดจำพรรษาหลังอย่างนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้การกระติบนะครับทัแรกเขาก็ไปถวายอะไนะถวายในฤดูในฤดูหนาวเขาบอกอยนี้ ตัวหนา้ากรัะหาทั้งหลอาหาได้สองสองทอดอีไว้ไหมครับอ๋อเพิ่มกันต่อไปครับต่อไปขับมาหน้ากระหังร้อยส้าครับคำว่าอาชิสาเทศีความว่าทายกถวายกำหนดกำหนดเจาะจงถามว่าถวายอย่างไรตอบว่าถวายอย่างนี้คือทายยกนิมนต์พวกพิสุให้ฉันเข้าต้น ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หลังจากที่พิสุเหล่านั้นดืน่มข้าวยาคูในเรือนแล้วก็กล่าวว่ากระผมขอถวายจีวเหล่านี้แก่พิสุผู้ดึ่งข้าายาคูเท่านั้นเขาบอกอย่างนี้นะก็จะได้เฉพาะแก่พิสุที่ไปดื่มข้าายาคูเขาเแม้ในพวกพิสุที่ทายนยมิ ม, มนุ่ด้วยเข้าวสวยนละของเคี้ยวเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันก็ะะจะมีความต่างกันนิดหนึ่งนะบอกว่า ถ้าทานนี้เขา้ากายตอนแรกต้องกาเยเขากล่าวว่า น, นะครับอานะครั้งเ้าถวายอาหาเสร็จแล้วเมื่อมิสุนิฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าข้าพเจ้าถวายจีวรเหล่านี้แก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายผู้ฉันเข้าต้มของข้าพเจ้าถ้านบอกว่าจีวรนั้นย่อมถึงแก่มิสุผู้ได้รับมุ่งมลได้ฉันเข้าต้มแล้วเท่านั้นนะครับส่วนข้าวต้มอันที่สุเหล่านั้นนะ ทิมไม่ได้นิมนต์ครับจะต้องผานไปตามประตูดเดือนนั้นพอดีแนละ้วมีบิดาได้ครับ <c oughs> หรือว่าเขาต้องที่เพาทไปสองให้ขั้นที่ว่าตนี่นะนะครับพิสุวรรนั้นก็จะไม่ได้รหรือที่พระเถระไปให้อีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้แต่ว่าถ้าพิสุแม้เราเออเรากับพิสุที่เล่านิมนต์มา ก, กันมากนะทั้งที่มไม่ได้นิมนต์ก็มานะคราจะมีทีหนึ่งะนะครับยนเขานิมนต์นะ ถ้าใส่ละอาหารมีจดบาทที่บ้านนะครับแล้วก็มีผ้าอื่กำลังมานลุ้ตอนบ้านนะท่านก็ไปเข้าด้วยัไม่ได้ไปที่มนญนะโยงเขาก็แปงกใจถ้านไปขอบอกว่าทรับวันนี้ไม่ได้เก่งวัดไปขอบอกว่าตรงนั้นเลยนะครับยังต้องมองอันโยงไม่ได้ที่มอญเพราะเชามาคุณเช้ามีฉบัมาเขาบอกว่าตรงนั้นเลยครับอันนี้ท้งนีมอไม่ได้ที่มอญต้อมาการทั้งเยอะเลย <c oughs> นั่งแต่เมื้องพายในเรือแล้วก็พาย น, านอกเรือทายแล้วก็ออกไตอย่างนี้ว่าเท่าเป็นเจ้าทั้งหลายจะเป็นผู้ได้เล่านิมนต์ผู้ไม่ได้รับานิมนต์ก็ตาเข้าต้มข้าพเจ้านในถวายแล้วจะรู้เป็นเจ้าเราได้ถ้าเหล่านี้จงเป็นของนิมพะเจ้าเาของผู้เป็นเจ้าของปวงเหนะนั้นะไอ้พัดวถึงการหม่นนะนะครับรูปหนและแต่ที่เขาถวายนะครับก็อยด ไ, ได้ทั้งหมดเทนิมนต์ไม่นิมนต์ก็กและ ต่อไปนะครับเนี yeah. ่ยคำ ว, ว่านะครับอันนี้มันดีอะไรใช่ไหมเขาต้องวาสวยเหมือนกันคําว่าถวายแก่ บ, บุคคลมีเนื้อความโดยย่ออย่างนี้ว่าทายกถวายลำหลังว่ารผมถวายกีวร น, นี้แก่พิสุทชื่อนี้นะครถวายลำหลังหรือวางไว้แคบเท้าเลยสมัยก่อนเขามีเงี้ที่เขาเขาต้องศรัทธามากเวลาเขาจะเอาผ้าไปถวายใช่ไหมเขาวางไว้แคบเท้าตรงน แล้วกล่าต่อหน้าอย่างนี้ว่าประผมขอถวายชีวรแก่โพกท่านดัง น, นะครับอันนี้ที่ว่ารสวายนะมงคลจากสมมงคลเลยสวนความาาพิจดารข้าพเจ้าได้กาวมานล้นในคาถาชื่อสมรสภาษาทิการไปดูได้นะครับถ้าใครต้องการรายละเอียดนะมาติการเกิดขึ้นแห่งชีวรนี้นะครับอยู่วินัยพิดองเล่มเจ็ดนะครับตั้งแต่หน้าอะไรรั น่นะเลเจ็ดตั้งแต่หน้าสามร้อยห้าเจ็ดออกสามร้อย้าสิบเจ็ดเลขี่เจ็ดนี่นะไปดูถ้าท่าจะที่บา้านอะไรอีกนะนนี้จีวรใดที่ิสูดได้มาโดยเป็นอาการจีวรตามลาักษณะแหงบทมราิากแปดอย่างเหล่านี้นะครับมานี้ ท่านหมายเอาจีวอนนะั้นท่านหายไว้ว่าอาจจะอาการชีวรเกิดขึ้นอาการจีวรเกิดขึ้นนี่น ะ, ะคำว่าอาการธรรมานีนั้นะแปลว่าต้องการอยู่คําว่าขิปนาวีว่าการอิสระพังได้แก่จีวอ น, นั้นต้องมีดทำให้เสร็จภายในสิบวันเท่านั้นเาพราะว่าจะถินก็ดอกแล้วใช่ไหมถึงก็ดอกแล้ ว, อ, ลวอันนี้แป ล, ลว่อาอะไรจีวอนอาการชีวรนเกิดขึ้นแล้วนะ เป็นนี่แหละรับมาต้องการในชะ่ไหมก็รับมาแนละ้วที่ทำจีวอนเสร็จภายสิบวันแรกที่หาเป็นตายแนะเป็นอาขะข้อว่านอนจับสายตาที่ฟูรี่ความว่าหากผ้ า, าไม่พบบริมุรนะครับเพื่อจะทําเป็นจีวอได้ไม่พอที่จะทำเป็นจีวรนถะึงแดงถึงหนึ่งนะที่นัาต้องการทำนะรัไม่พอเลยนะครับสวบจีวอนจะติดมาแลแ้วแป๊ ที่ว่าที่ฐานที่ต้องการจะทําต้องใช้ค้าประมาณเท่าใดจึงยงพอไม่มีข้าประมาณเท่านั้นขยายความว่ายังไม่เพียงพอคําว่าสติยาปัจจายายะแปลว่าเมื่อมีความหวังที่จะได้ชีวัดจับสงข์คณะอนุญาตและมีที่ใดที่หนึ่งแล้วอย่างนี้ว่าในวันน้นสงฆ์จะได้ข้าและเราก็จะได้ข่าจากสงฆ์นั้นดังนี้ก็ดี นี่นะก็ยังมีความหวังว่าจะได้อย่างที่ใดที่หนึ่งที่ว่ า, าสงฆ์เขาหน้ายากีิทยาแต่นะอะคิดว่าจะได้ผ้ามอสกุลนแม้ความคิดอย่านี้นะโอ้เดี๋ยวเราก็จะได้ผ้ามอสกุลนะ้วคนจะมีงานศพในช่วงนี้เลยครับล้วก็จะได้ผ้าสกุลมาคิดว่าจะได้ผ้าด้วยกับปิยพันธ์สิ่งของสมควรของตัเองมันก็มีพวกฝ้ายใช่ไะ ห, หรือว่าได้เป็นต้นตัวเองที่สามารถถึงกระน้นกี่วัได้ คำว่าตะโจเจลูตรีนะครับความว่าห่างเก็บผ้านั้นเกินหนึ่งเดือนเมื่อวานนี้บอกไปแล้วนะผ้านั้นเรามีหวังจะได้ผ้าใหม่มาก็ทำซีวอร์ไม่พอนะครัสา ม, มารถเก็บไม่ได้นะเพื่ อ, อรอทีวอที่จะได้มาใหม่นะครับได้หนึ่งเดือนเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนแล้วต้องมานิสิกที่จะไปตีนะครับแต่แ ว, ว่าแต่ถ้าว่าผ้าเดิมของมือสงนะผ้าเดิมที่รอใช่ไหม เป็นผ้าเนี้ละเอียดผ้าที่หวังจะได้มาเป็นผ้าเนื้อหยาบครับของเรามันผ้าอะไรนะผ้าฝ้าแน่นเนี้ละเอียดอย่างดีครับแต่ผ้าที่เราร อ, นอนแล้นเราก็ได้ขึ้นมาใช่ไหมเป็นผ้าฝ้าเนื้อหยาบมากเย็บไม่เข้ากันนะครับไม่สามารถจะเย็บเข้ากันได้และยังมีวันที่สามารถเก็บผ้าไม่ได้เหลยอยู่ก็คือยังไม่ถึงเดือนนะครับ อาจจะ35าวางหน้าได้ผ้ามานะครับจะเป็นผ้าเนื้อหยาเย็ยบเข้ า, าของเก่าไม่ได้อันนี้ทํายังไงไม่ต้องการจะทํานะครับก็ไม่ต้องให้เย็บหน้าแล้วก็ไม่ต้องทําหรอกแล้วก็รอต่อไปนะครับได้ผ้าอื่น่างที่หวังไว้แล้วคึงทําให้เป็นจีวรภายในเวลาที่อยูน่นี้แต่ถ้าไม่ได้ควรทิพยฐานผ้าที่ได้มาด้วยความหวังเก่าแห่งกินผ้าบริหารจมธรรมดาเนอะ แต่ผ้าเนี้อยากชิ้นละได้ไหมเราไม่ต้องการใช่ไหมเราก็องริษฐานเป็นบริการโจนครับเนี่ยแต่ผ้าเดี๋ยวเรามีอยู่หน้าเวลาไม่อย่หงนี้ต้องสิบห้าวันแล้วก็รอกันไปนิดๆนะครับได้ผ้าที่มันจะมาเย็บเข้ามาหน้าแล้วก็ค่อยคำ <c oughs> นะอันหนึ่งผ้าเดิมเป็นผ้าเ น, นื้อหยาดนะครับผ้าที่หวังจะได้เป็นผ้เ า, า, นานเา น, <c oughs> นื้ออีกควรริษฐานผ้าจะเป็นบริการโจเนี่ยของกลับแล้วรองใช่ไหมเราผ้าไม่ค่อยดีอ่ะนะ นี่ได้ผ้าไหม่ผ้าอย่างดีเลยยืมเข้ามาก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผ้าเก่าแล้วก็ผิวขาบริหารโตไป็นเสียเก็บผ้าที่หวังจะได้ให้เป็นผ้าเดิมแท้ครับพี่สุสามารถเก็บผ้านั้นได้เองหนึ่งเดือนครับแล้วก็นำหนึ่งขึ้นมาใหม่เลยนะเพราะว่าผ้าเก่านะมันเป็นผ้าเนื้อยาบผ้าไหม่ผ้าดีกว่าใช่ไหมยืมไปไม่ได้ไอของเก่าเราต้วงเลิกไปเลยครับอาจจะเก็บไว้ตั้งยี่สิบวันแล้วนะ แล้วก็ย้อนเรื่องบรานบริฐานโจรมาลเลยครับส่วนผ้าใหม่ที่ได้มาน่ะเอาเป็นจีวรเลยแทนแล้วลก็รองติได้หนึ mm ่งปีโดยวิธีนี้เธอจะสามารถเธอสามารถจะเก็บผ้าหรือให้เป็นผ้าเดิมได้ครับต่เท่าที่ยังไม่ได้ทําจีวรเป็นจีวรก็เก็บได้ด้ครับเพงทราบวิธีการสลับผ้าที่เกินประมาณนี้โดยไห น, นว่า วิธีสลากก็เหมือนกันน่าแก่สงข้างหนาหนึ่งคนก็ได้ต่างกันแต่ว่าความสลากเท่านั้นนะครับว่าวถ้าไม่เจริ่มอาการราชีวของผมนี้เกินหนึ่งเดือนจําต้องสลาดังนี้ครับภาษาบานี้ก็เป็นปีทางเมฆพันใจอาการาชีวารามมาสารตึกต่างนิสเกีเยรตสมัยน้องไม่ก็ได้หรอใช่ไหมมันไม่มีนะเจออะไรมาเขาก็อ่านคาติฐานตนเดียว <c oughs> <c oughs> ทิศฐานโจนหีเดียวนี่ก็ไม่ลงไม่รอไงหรอกชาต<ช>ิท้อง<ช>ไม่พอนะทิทฐานเป็นฐานโจนเนีเดียวหรใครจะวิจับก็ได้นะวิจับก็เก็บได้เรียบๆครับสิกง้าบนนี้คุณ พ, าพาาระพราเจ้าทรงฟ้าลบโภตริสุรยัยรูปในเมืองสามัคคีบญญรรจับไปแล้วเพราะเรืร่องคือการรับผ้าที่ทา ย, ยังผวาในเวลาที่ไม่ใช่การอาการชีวรครับ แล้วเก็บไว้เกินหนึ่งเดือนสินค้าบนนี้เป็นสาธาณะบางอย่างที่ที่ก็มีเป็นอนานุสิกรไม่เกี่ยวกับการใช้นะใครทำนั้นแหลเป็นคําทั้งหมดนอกจากนี้ก็เหมือนกับคําที่ต่างเลยแล้วในสิกค้าบนที่มีก็คือองค์อาบัตเหมือนกันนะองคาบัตก็เหมือนกันการสะทีข้อหนึ่งนะครับก็คืออะไรครับไม่ตรงไม่ตรงให้่ยังไม่เนื้ อย่างสมุทฐานสมุทฐานเหมือนกันครับเหมือนกับข้อหนึ่งแหละคือกายวาจาการวาจจิตนะครับกายวาจกายวาจจินะครับก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่ยอมพิถันที่ไม่ได้หลุดพิจารณ์นะครับด้วยกายหรือว่ามาจาถ้าไม่มีจิตก็คือไม่รู้ว่าเกิดหรือยังถ้ามีจิก็รู้ท่องรู้ตั้งใจนะครับตั้งใจห้เกิดเลยนี่จิต ให้กันเลว่าม well, ีน้ำความเหอนกันนะครับก็จะเป็นอะไรล่ะอะไรนะโนสัญญาที่ง่วงจิตตะกาท่นี้ครับปัญติวัชชานะการอย่างก๊าบก็ได้เมติก๊บก็ได้มีจิตสารวัฒนาใส่จริงอยู่ในสิกขาบทที่หนึ่งนัมีองค์เพื่อการให้เลยสิบวันอันนีเด็กจีวอนั่นไม่เห็นแค่สิบวันแต่สิกขาบทนี้มีองค์คือให้เลยหึงเดือนนี้สความแตก ควที่เหนือเหมือนกันทีเดียวแหละจบการที่บาลังการและจีวรสถาหมดองค์ก็จะสนะีนั้นองค์ก็สีทั้งข้อนะั้นหนึ่งนะครับจีวรของตนหน้านกมาหน้านมาที่พอดิษฐานมีเก่าได้ น, นะครัถ้ามีกระสานใหม่จะมีนะสองเก็บเอาไว้นสองเก็บเอาไว้สามบริพ่อขาดมีกระถินดอกแล้วนะสี่ก็เก็บไว้เกินเดือน ไมควบองศีสีไม่ต้องอ่าปลบบไปตีสิขาหมดนี้ข้อนี้ก็จบต่อไปสองข้อเกี่ยวกับที่ล้